วันนี้วันดีวันนี้วันศีวันนี้เป็นวันที่ได้ฤกษ์สำคัญวันสําคัญวันนี้วันเข้าพรรษาตามฤกษ์ที่เรากาหนดพระพุทธเจ้ากําหนดเราก็เอามาใช้จนบัดนี้พระพุทธเจ้ากําหนดวันเข้าพรรษาวันสิบ วันหนึ่งค่ำแรมหนึ่งค่ำเดือนแปะเข้าพรรษาเด็กโคโจรมาศีสะอโศกศีสะอโศกในคัวัวเอาัวเอาน้ำยอดไปกินเลยเทตก่อนใครในวันเข้าพรรษา อยู่บรรดาแท้ๆบรรดายังไม่ได้เทบรรดาเลยจำบรรสาบรรดาแตศีรสะโศควเอามากินก่อนเลยขววเอามากินก่อนขวเอาเลยบอกต้องมาวันนี้วันนี้วันนี้ว่างันวานบอกโอ้เอ้าวันนี้กัวันนี้มาวันนี้กัวันนี้น่ะมาวันนี้อัตมา เมื่อคืนนี้เมื่อเช้าด้วยไม่ใช่เมื่อคืนนะเมื่อเช้าเนี้ยะได้รับนได้รับเขาปินเอสเอมเอสออกมาให้โอ้คุณแปดเจ็ดศูนย์้าก็อวยพรมาแต่เช้าเลยอาตมาก็เลยบอกโอ้ดีจังเลยวันนี้อวยพรนี่ก็เอามาไม่เป็นไรแล้วก็เอาพอรของคุณ 8705นี่แหละเอามาอวยพรต่อนะมาอวยพรต่อเขาอวยพรว่ายังไงจริงๆแล้ว8705เขา s อ s เเบมาตั้งแต่วันที่2020 20ละอัตมาก็ดูแลวว้วเออก็น่าจะพูดกับเขาเหมือนกัน8705เขาพูดมาอย่างงั้นก็น่าจะพูดกับเขาในเรื่องประเด็นที่เขาคิด คืออาตมาเองอาตมาขอบคุณคุณแปดเจ็ดศูนห้าะที่เขาเองเขาพยายามต่อแยอ่อาตมาเนี่ยมันดีเขามีประเด็นน่ยมีเชิงเชิงเขาไม่เชื่ออาตมาหรอกไม่เชื่อว่าอาตมามีความรู้ไม่เชื่อว่าอาตมาบรรลุจริงไม่เชื่อว่าที่อาตมาเข้าใจนี่ถูกต้องเขาเชื่ออย่างงั้นจริงๆเลยก็เลยเป็นแล้วเขาก็พยายามหาแง่มาแย้งแย้งแย ง, แย ง, แย ง, แยง เพื่อที่จะยืนยันว่าอาตมาเนี่ยผิดอาตมาไม่ถูกต้องอาตมาไม่รู้จริงอะไรก็แล้วแต่เขาพยายามอาตมากา็เออคนเข้าใจอย่างนี้ก็มีก็ เ, เป็นได้บางทีแง่โอ้โหแง่บางแง่เนี่ยเขาคิดหลอกได้บางแง่เนีาคิดหลอกได้ผักกลางรู้ไหมละ่ะหลึกแปลว่าอะไรมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลภาษาไทยรอกลึกะลึกเนะน่ยหลอกเนี่ยลึก เขาคิดออกมาลึกดีนี่น่าลึกนะเขาอวยพรมาอย่างนี้เมื่อชาวนี่รับนะท่านแสนดินเอามายืนให้เริ่มต้นพบกับโอโห the hell นี่คือคำอวยพร the hell of Buddhism น่าวางี้เลย the hell of Buddhism is เออดโลกุตระเฮฟเวนะเขาพูดของเขาเองนะว่าเฮลเป็นเฮฟเวน the hell of Buddhism is the ลกุต t ร a h e a v e น of d e r r i t y i s มนั่น yes okay นะมีอย่างนี้ด้วยนะลงท้ายด้วย yes okay อ่า The hell of the Buddhism is the l o w e heaven of Dharmaism. Yes, okay. Uh, oh, ah, uh, don't look me. j i k e that. Ah, uh, h uh, a l we will know who is the Dharmaist. ก็เดี๋ยวจะได้รู้ฟังฟังดูใครจะเป็นผู้อิซึมกันแน่คำว่าเดรธีนี่ใครจองใครอิซึมใครเป็นเจ้าของเดรทีใครรัติเดรธีใครใช้ทฤษฎีเดรธีน่ะอิซึมน่ะใครเชื่อว่าเดรธี ใครเชื่อจฉพากจังนั้นนะเป็นเดระธีใครเชื่ออย่างที่เขาเชื่อนะเรเป็นเดรธะธีอิซึมไงนะนะก็ได้เป็นเดี๋ยวก็ได้รู้กันว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครตัดสินหรอกในเรื่องของสัจธรรมที่สุดยอดแล้วลึกซึ้งแล้วเช่นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านตรัสรูง้งท่านแล้วท่านก็มาประกาศเปิดเผยว่านี่แหละท่านยืนยันว่า ง, งี้ดีที่สุดถูกที่สุดใครไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินท่านหรอกว่าผิดหรือถูก ชัน้นเดียวกันถ้าสิ่งใดมันสูงพ้นเลยเขตที่คนจะเข้าใจได้แล้วเรียวกว่าพ้นเลยเขตไอ้ที่สิ่งที่สูงสุดพ้นเลยเขตคนอื่นๆพ้นเลยเขตคนอื่นๆที่จะเข้าใจได้แล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านค้นพบสิ่งที่สุดยอดดีที่สุด พ้นจากความเข้าใจของคนอื่นๆไปหมดเลยเรียกว่าอุตระเรียกว่าอุตระเ น, เนื้อสุดนะเพราะงานั้นคนที่ไม่สามารถจะเข้าใจได้ก็จริงอย่างอัตมานี่เข้าใจคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเข้าใจว่าเขาก็เข้าใจตรงที่เขาเข้าใจนั่นแหละตามที่เขาเข้าใจได้แล้วเขาก็ ไม่สามารถที่จะเข้าใจที่มันอุตระเหนือไปกว่า น, นั้นได้อเขาไม่เข้าใจเหนือไปกว่า น, นั้นได้แท้จริงก็เข้าใจเขาอยู่เห็นใจนะไม่ได้เกลียดได้ชังไม่ได้จริงๆอัตมาก็เพืออัตมาเป็นคนที่อ่านใจตัวเองอยู่สเสมอมีสติสัพพัญญาสัพพชานะอยู่เพราะว่าได้ฝึกมามีสติ มีสัพพัญญามีสัพพชานะสัพพชานะคือจะต้องรู้ตัวอยู่กันเสมอถึงขั้นสัมผัสนอกสตินี่มันจะมีสัมผัสนอกแล้วก็เชื่อมกันไปข้างในแล้วว่าสัพพัญญะแล้วก็ยังรู้ต่อตามไปอีกเลยว่าสัพัชานะถ้ารู้ต่อเริ่มไปอีกมันก็จะมีสัมปะเทติมีสัมปชชติมีสัมปชติอลใต่อไปอีกเยอะเลยเป็น การทำงานของจิตเป็นการทำงานของจิตจิตมันจะต่อเนื่องเข้าไปเชื่อมต่อเข้าไปเป็นสันตติเพราะผู้ใดที่ตามสันตติของจิตของตนเองได้เป็นจิตซอของความเร็วจิตซอของจิตเจตสิกของเรามันเร็วผู้ใดสามารถที่จะตามจิตตัวเองที่มันจิตซอเป็นจิกซอที่มันต่อต่อต่อต่อต่อเป็นลูกโซ่ มันลูกโซ่ยิ่งกว่าลูกโซ่ก็คือเป็นจิกซอเพราะมันต่อหมดทุกด้านไงจิกซอเนี่ต่อพอดทุกมุมลูกโซ่นี่มันจะต่อเป็นแนวยาวเท่านั้นซึ่งมันตื้นมันระนาบเดียวแต่จิกซอเนี่มันจะต่อไปหมดจริงๆยิ่งกว่าจิกซอมันต่อหมดทุ ก, กลมเลยทุกจุดเลยมันจะมีตัวมาเชื่อมทุกมุมทุกจุดของของลูกกลมเลย ถ้าใครตามทันได้มากคนนั้นแหละมีชวนจิตมีความเก่งของมุทุธาตุมุทุภูตธาตุธาตุาจิตที่มีความแววไวายมีความเร็วเร็วทั้งเชิงปัญญาเร็วทั้งเชิงเจโตเจโตสามารถที่จะปรับได้เร็วด้วยปรับให้เป็นให้ไม่เป็นให้เป็ น, ใ ห, ปนให้ไม่เป็นได้ทันทีเร็วมากเร็วจกนกระทั่ง ไม่ไม่ให้มีเลยแต่ปั๊บหลุด ป, ปั๊บเร็วถึงขนาดนั้นและก็มีความเร็วของชวนจิตจิตเร็วถึงว่าเจรนาตรวจสอบได้ทันทีด้วยว่าอย่างนี้อกุศลไม่รับอย่างนี้กุศลรับะจะมีจิตธาตุรู้ของจิตของตนเองเป็นเช่นนั้นมีมากมีน้อยแล้วแต่ผู้ได้ฝึกได้สร้าง จิตใจในสร้างให้เป็นเช่นกล่าวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นคุณแป่เจ็ดศูนย์ห้านี่ว่ามาอาตมา ก, ก็สัมผัสเขาก็ว่ามาเรื่อยตั้งแต่หยาบเดี๋ยวนี้เบาลงาเดี๋ยวนี้เล่นภาษาอังกฤษซนะหน่โอ้โหอาตมาเนี่ยภาษาอังกฤษอาตมาคิดว่าชื่อว่าเท่าที่ทรา บ, รบดูนี่นะอาตมาคงไม่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ เก่งเท่าคุณไปจะสูน่าหรอกแต่วันนี้จะบังอาจพูดเชิงภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษประกอบบ้างน่ะอ t รเดบิดนะไม่มากไม่มายเราก็แค่นั้นเองแล้วก็ก็ดนิดหน่อยน่ะอันที่สองต่อมามีสามมีสามข้อความก็หลายข้อความแต่ว่าเอามาต่อเาเอามาต่อนึกต่อยาวให้อัตมาจริงๆก็มารวมไว้ ข้อความต่อมาบอกว่าอาตมานี่นะอายุหัวใจเท่ากับสิบแปดปีนะคือรู้ทุกขณะเลยว่าอาตมาพูดอะไรไปบ้างแล้วีรู้หมดว่าตอนนี้อาตมาว่าอาตมาอายุหมอว่าสิบแปดปีก็รู้อายุหัวใจเท่ากับสิบแปดปีแต่อายุสมองเจ็ดปี คุณแปดเจนย์ห้าอวยพรมาท่านชาวนะอายุหัวใจสิบแปดปีอายุสมองเจ็ดปีอายุเส้นเสียงร้อยแปดปีคำนวณให้ด้วยนะว่าเส้นเสียงอัตมาตอนนี้เนี่ยมันเสื่อมไปล้ำหน้าแล้วเท่ากับอายุร้อยแปดปีแล้วอายุพรรษาสี่สิบสี่โอเคเนะี่ยแม่เรียนโอเคตามเลยนะ อายุหัวใจสิบแปดปีอายุสมองเจ็ดปีอายุเส้นเสียงร้อยแปดปีอายุพรรษาสี่สิบสี่ป okay. ีสี่สิบสี่โอเคและอีกอันอันที่สามอันนี้เขามาเรียงไว้ยาวหน่อยอันที่สามของคุณแปดเจษฎนาส่งมาเมื่อวานนี้ย2ิบสองอวันนี้ที่ยิบสองวันนี้ยี่บสามแล้วอะย่สิบสาม นะ้าบอกว่างี้อันสุดท้ายบอกว่าเพราะที่ไม่พักเพราะที่ไม่พักเอาแต่เพียนนะเพราะที่ไม่พักเอาแต่เพียนนะ่ะโพธิรักจึงเป็นโรคจิตเพศจิตเพศจึงเป็นโรคจิตเพศอ่อนๆดีนะยังออกอาการยังไม่หนักนะจึงเป็นโรคจิตเพศอ่อนๆชนิดหนึ่งที่ชอบ ย้ำคิดย้ำทำไอ้คําว่าย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงเป็นโรคจิตเภศจยางหนึ่งเป็นโรคที่สมองเสื่อมเป็นโรคที่ชักไม่ค่อยดีแล้วนะเดี๋ยวค่อยอธิบายถึงที่อัตมาย้ำที่คุณแปดเจ็ศูนย์ห้าว่าอัตมาย้ำคิดย้ำทำเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายในะเดี๋ยวค่อยอธิบายคือที่มักชอบอวดนะนี่านี่คือ ความหมายของคุณ8ป0 5จศูนห้าว่าอาตมาว่าชอบมักชอบอวดซ้ำแล้วซ้ำอีกมักชอบอวดซ้ำแล้วซ้ำอีกคือคงกลัวว่าชาวโศกจะลืมมั่งคงกลัวชาวโศกจะลืมมั่งว่าตนเองนะอ่ะนุ่บ o r n ท o บนี่ลึกซึ้งนะ born นี่หมายความว่าสยังอพิญญาเลย บอลทวีนี่คือมากับตัวเองเลยเป็นของตนเองบอนทวีนี่คือสยังหรือของพุทธเจ้าท่าเรียกว่ายัมผูถ้าเผอว่าของคนทั่วไปเขาเรียกว่าปัจเจกเป็นของตนเลยบอลทบีมันเกิดมามีมาดกับตัวเองเลยมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไหนมันมีมันเป็นมากับตัวเองบอนทุบีถึงขั้นสยังกับพิญญาหนะ้าแปลมาให้เสร็จด้วยนะ้า กลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าตนเองนะบอนทูบีถึงขั้นสยังอภิญญาระดับโพธิสัตว์ี่เจชนนจนะถึงขั้นโพธิสัตว์เนจะ็ชนจแต่ที่ทำตัวเหมือนเป็นคนธรรมดานะเข้าใจซะด้วยน ะ, ะที่ทำตัวเหมือนเป็นคนธรรมดานั่นก็เพราะสัจจานุโลมญาณตหากจันะเข้าใจด้วยนะว่าอาตมาที่ทำอย่างนี้เนี่ยนะ คือเข้าใจอาตมาหมดเลยที่จริงเข้าใจถูกต้องนะแต่ไม่เชื่อคุณแปดจศนห้าในเข้าใจที่เข้าใจี่เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วเข้าใจว่าอาตมาเป็นสีเจนะเป็นสยังแะพิญญาสีเจในเข้าใจถูกแล้วนะไม่ผิดรอคุณ8ปดเจศูนยะ์ห้าเอ้ยนะแล้วก็แต่ทำตัวเหมือนคนธรรมดานี่ก็เพราะว่าสัจามมาสจ า, านุโลมวิคิยาสัจจานุโลมญาณนะจ๊ะก็ทูกีกัาใช้สัจจ า, านุโลมญาณจริงจริง แต่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าไม่เชื่ออันนี้จริงๆนะที่จําเป็นต้องเล่นขายของไปกับเด็กๆเท่านั้นเข้าใจด้วยว่าลักษณะของสัจจานุโลโมวิคยาในเป็นลักษณะที่อาตมาเคยอธิบายเหมือนแม่เล่นขายเข้าเขาขาของกับลูกๆอย่างนขายงั้นเหมือนอย่างนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้เป็นจริงหรอกนะก็อนุโลมตามเหมือนจริงจังกับลูกเลยเล่นกับลูกอย่างกเข้ากันได้เหมือนกัน รุ่นเดียวกันกับลูกเลยสนุกสนานกับลูกเลยจริงจังเลยนะเป็นทุกตาทองเป็นศิลปินใหญ่แสดงเหมือนจริงเหมือนจังเลยเป็นทุกตาที่แสดงได้อินมากเลยเป็นจริงเป็นจังเลยนะต้องเล่นขายของไปกับเด็กเท่านั้นแต่ก็เล่นไปอย่างนั้นเอ ง, งมันขยายความเต็มถูกต้องหมดเพราะไม่มีกิเลสแล้วทุกอีกจึงเล่นก็เหมือนกับไม่ได้เล่นทุกอีกพอจะเข้าใจไหมจ๊ะ นั่นนะสิจ๊ะแปดเจ็ดศูนห้าพอเขจะเข้าใจไหมเจ้าว่นนี้คือความจริงที่พูดมานี่ถือความจริงหมดคุณแป0 5็ดศูนหเข้าใจอาตมาหมดแต่นี้อยู่ไอ้่างเดียวไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ อ, อวะยังไงก็ไม่เชื่อเป็นตายรายดีก็ไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นความเป็นของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าที่ไม่เชื่อเพราะคุณแปดเจ็ดูนห้าเข้าใจของคุณแปดเจ็ดศูนห้าเองว่า ที่ตนเองเข้าใจที่มันต่างอัตมานั้นอันที่คุณแปเจ็ดศูนยห้ายึดไว้ว่าของตนเองเป็นตนเองถูกและต่างกับอาตมาของอัตมา ก, ก็ต้องผิดอาตมาเข้าใจอย่างนี้ถูกไมมจ๊ะแปดเจ็ดศูนย์ห้าอัตมาเข้าใจอย่างนี้จริงๆ เข้าใจพูดไปเจ็ศูนห้าว่าพูดมาถึงวันนี้แล้วพูดกันอย่างเปิดเผยถลองวันเข้าพรรษาเลยว่าสมบูรณ์และอาตมามั่นใจมานานแล้วละว่าคุณ8ปดเจศูนย์ห้าเนี่ยคงจะยึดถือสิ่งที่ตนเองมั่นใจเข้าใจทิฏตากัตามานี้แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีการเคลื่อนเคลื่อนจากความเข้าใจมีแต่ยพยายามมุมแยง เช่นนี้แหละเช่นที่แย้งมานี่นะเอาทีนี้เอาตรงที่แย้งมานี่อะไรบ้างได้ค่อยมาอธิบายเฮ l กับเฮฟเฟ n กันอีกนิดหน่อยเพราะว่ารู้ว่าเฮ a เฮ n เฟของคุณแปดเจ็ูหน้าของอาตมานี้แน่นอนถ้าเฮลเป็นของอาตมา h ฮ a เฟ n ก็เป็นของคุณแปดเจ็ดศูนย์หน้าถ้าอาตมาเป็นเฮฟเฟนเฮ l มันจะไปไหนเสีย มันก็ต้องเป็นของคุณแป0เจ็ดศูนย์ห้าแน่แน่ใช่ไหมจ๊ะโอเคตั้งแต่วันที่ยี่สิบคุณแปดเจ็ูนย์้าก็เอสเซเบนมาว่าเอานะเอาจะเริ่มต้นตรงนี้ไปก่อนกันแล้วกันแต่ก่อนจะเริ่มต้นตรงนี้อาตมาว่าพูดเฮนพูดแฮปเปนก่อนแฮปเปนกับเฮก่อนน่ะ Heaven นเนี่ยแล ว, ว่าสวรรค์นะแปลว่าพระเจ้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาทางด้านโรกทางฝรังเขาเขาก็ใช้อย่างนี้มแัแหละ h ฮ a เ e n นี่คือหมายถึงสิ่งที่สูงสุดของเขาแหละสวรรค์สิ่งที่มันเกิดเพื่อแท้ของมนุษย์ชีวิตมนุษย์แหละสวรรค์พระเจ้าหรือจริงๆแล้วโดยประมัดโดยศัจธรรมก็หมายถึงเฮเวหมายถึงสถานที่ที่ตนยุดว่า แดนสุขเทพินใครยึดก็คนนั้นนะ่ะเป็นจริงของคนนั้นเลยตามอัตตาตามสัญญานิจจานิตามที่ตนเองสัญญากำหนดว่าเนี่ยใช่เที่ยงนิจจันอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้โดยจิตของตัวเองเป็นตัวกำหนดเรียกว่าสัญญาสัญญายะนิจจานิวันนี้สวรรค์เพราะอย่างเป็นของจันเป็นอย่างนี้ สวรรค์ของฉัเป็นอย่างงี้พระเจ้าของฉัเป็นอย่างนี้หรือถ้าพุทธเกิดนิพพานของเราเป็นอย่างเนี้สุดยอดนี้เป็นอย่างนี้เฮฟเฟนนะส่วนเฮลก็คือสถานที่ตนหลงยึดว่าแดนสุขเหมือนกันเฮลเนี่ยสถานที่ตนเองยึดวัตถันสุกเหมือนกันแต่แท้จริงเป็นแดนนรกตัวเองยึดว่าเป็นแดนสุกเหมือนกัน เฮลนะแต่ความจริงนั้นเป็นแดนนรกที่ตัวเองยังอวิชชาตัวเองยังไม่เข้าใจไม่ได้เฮลคืออะไรเฮลคือแดนนรกคือย ม, มาบาลถ้าหมายถึงคนก็คือแดนย ม, มาบาลเป็นเจ้าอยู่เลยนะหรือเป็นตัวตัวเองล้วก็คือปีศาจในนรกเลยตัวเองก็เป็นปีศาจในรลกเฮลเนะีนะ่ย หรือสถานที่ที่เป็นสภาพของความทุกข์ทรมานแต่ตนเองหลงว่ามันเป็นสุขได้ความหลงคนนี่สุขอย่างพวกที่สาสต์ดีพวกที่จิตชอบความรุนแรงก็ชอบสัมผัสชอบกระทบชอบเห็นชอบรับทั้งเสียงทั้งตาทั้งกลิ่นทั้งไรทั้งกระทบกระแทกกระเทือนชอบ แต่กระทอกระแทกกระทือนเนี่ยมันจะมั น, ม, นมันจะเป็นมาสกิสตัวเองต้องเด็กต้องกระแทกกระทุ้งกระทือนกระทแทแรงเกินขีดซาดิสนินยังไม่เอาเข้าตัวซาดิสนินชอบสัมผัสข้างนอกแรงๆเห็นก็ทํารุนแรงมันต้องคนอื่นก็ทําให้ดูนะได้ยินเสียงแรงๆดีได้ยินเขาทาเสียงแรงๆข้างนอกนะ แต่ยังมักถูกตัวเองตัวเองแรงเกินก็ไม่ชอบแต่มาสคิสอีกต้องเองต้องถูกกระแทกแรงๆสัมผัสแรงๆตัวเองมาสคิสทศาดิสต้องของที่อื่นนอกตัวเราแรงและชอบเพนามนี้ที่จะสร้างจิตอ ม, มหิตให้แกตัวเองก็เริ่มจากซาดิสนี่แหละแรงเข้าแรงเข้าแรงเข้าหนักเข้ามาสคิสมาสกิสนี่ ลำบากเลยตัวเองต้องต้องได้ได้รับกระทุกกระแทกกระเทือนเพราะคนคนนี้จะบาดเจ็บให้แกตัวเองไม่มีใครทาทาตัวเองทรมานตัวเองทําร้ายตัวเองนี่มันดีเฉือนตัวเองเชื่อตัวเองเลยมาสคิสเนี่ยอาการหนักนาสาหัสมากมเพราะงั้นสิ่งที่ทำให้ตัวเรื่องทุกทรมานจะมาสคิสหรือสาดดิสก็ตาม นั่นแหละลักษณะของเฮ l ของความทุกข์ทั้งหมดก็ถ้าเผื่อว่าคุณแปดเจ็ดศนห้านี่ตราบใดยัง be held on วันนี้ขอพูดถึง be in on หรือว่า be in g off นิดหนึ่งตราบใดที่คุณ8ปด5็ดนยห้ายัง be held on อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่เสื่อมคลายลงไปได้เลยเนี่ยไม่ไม่เข้าใจจิตตัวเองว่าตัวเองต้อง be held off บังนะถ้าทำไม่ได้ทำไม่เป็นไม่รู้เลยทำไม่ได้จริงๆอัตราของคุณแป0เจ็ดนย์ห้าก็สั่งสมความ be held on ในเรื่องที่ไม่พอใจไม่ชอบใจสิ่งที่ปเป็นเหตุปัจจัยในการจิตแบบอนิถารมอารมณ์ที่ไม่ดีสะสมอารมณ์ที่ไม่ดีตั้งแต่อ่อนๆเบาๆจนเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆอยู่ใส่ใจตัวเอง ตลอดเวลาเสริมแต่ความไม่สบายใจไม่พอใจไม่ชอบใจโดยเฉพาะสัมผัสโพธิรักแล้วมันบีหเหรุอ่อนตลอดเวลาเลยนะอัตราของค 8, 7, ุณแปดเจซูน้าก็ไม่สั่งสมสั่งสมเพลว่าให้ตัวเองตลอดกาน ไม่สามารถที่จะลดละไปได้จริงๆ อ, อัต a า น, นี้ก็จะเสริมความไม่สอบใจไม่สบายใจไม่จริงชังเกลียดชังอะไรเพิ่มไปเรื่อยๆอก็เป็นอันตรายผู้ใดที่ไม่เข้าใจ b e h e l i o n แล้วก็ไม่รู้ใจตัวเองว่าตัวเองนี่เป็นคนที่ไม่ มองแง่ร้ายไม่อะไรก็คว้างหูค ว, ว้างตาอะไรกไ็ไม่ชอบใจไปหมดคนนี้แหละเป็นคนที่มีลักษณะสั่งสมเฮลมีบีงอนของเฮลอยู่ตลอดเวลาพระองค์คนนี้ก็คือคนสร้างอัตตาให้มี เฮลตลอดเวลาใส่ตนเองเฮลคือสภาพที่เป็นความทุกข์ทรมานตั้งแต่ละเอียดจนกระทั่งยาบใหญ่แรงเฮลเพราะเราสั่งสมมานิใส่ตนเองเป็นอัตตาตัวเองเป็นตนเองเมื่อไม่ได้ศึกษาอัตตาหน้าสงสารเนี่ยอย่างคุณ แปดเจสุน่ไม่ศึกษาอัตตาเพราะตีทิ้งอัตตาแล้วโดยบอกว่าตัวเองมันลุอนอัตตาแล้วตีทิ้งคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอัตตาไม่มีใครยังไปคิดวดตนเองไปมุ่นกับอัตตาไปยุ่งอัตตาไปคิดความเป็นอัตตาอยู่เมื่อไรคนนั้นแหละมิจฉาทิธฐิเป็นนิรัตตาคุณแปดเจสุน่า บรรยายอย่างนั้นสรุปอย่างนั้นตางก็เข้าใจของคนแปดเจสุน่าก็ถ้ากตีทิ้งอัตตาไปเลยเพราะฉะนั้นจะไม่สนใจอัตตาเลยเข้าไม่ถึงอัตตาคือไม่มีอัตตสัมปทาเลยอัตตสัมปทานี่เป็นแสงอรุณที่พระเจ้าตรัสว่าต้องเข้าถึงความเป็นอัตตาของตนเสียก่อนว่าเรามีอะไรเป็นอัตตา ที่จริงคุณขออภัยต้องกลาความจริงคุณกาจจนหน้านีนมีอัตราต่ออาตมาเนี่ยเบ้อเลยแต่ไม่รู้ไม่รู้ตัวยึดมั่นถึงมั่นตัวตนโดยเฉพาะกอาตมาเนี่เอาอัตราชนอัตราอาตมาเลยอัตารู้อัตราอาตมาเองอาตมาไม่ชนหรอกอาตมารับทุ่มมัตมากระแทกอาตมาขอไผ่ทีปัตตมาอาตมาก็ไม่ว่าอะไรหรอกอาตมาก็รับพอรู้ว่า อาตมาไม่มีปัญหาในเด็กๆที่อาตมาอาตมาก็ไม่ถือสาหรอกเพราะอาตมาก็รู้ว่าเด็กๆอาตมาอะไรไม่ถือสาได้ไงอาตมาไม่ว่อ า, ออ า, าอะไรนะเพราะทั้นถ้าวบอกว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยไม่รู้ถึงสภาพที่เป็นความมีอัตตานี่คือความมีความเป็นซึ่งตนต้องปรากฏในตนตนต้องมีญาณอ่านในตน ถ้าตนไม่มีแน่นอนคุณไม่มีคุณก็เป็นคนอนัตตาคุณไม่มีอัตตาจริงๆเลยนะไม่ว่าอนัตตาไม่ว่าอัตตาในลักษณะใดๆคุณไม่มีในตัวคุณไม่มีสิ่งนั้นปรากฏไม่มีลักษณะอัตตาหรืมไม่ปรากฏจริงๆไม่มีภาวะของอัตตานั้นเลยไม่มีภาวะแห่งอัตตานั้นเลย ถ้าคุณมีญาณละเอียดคุณมีดวงตามีมีจักสุหรือมีญาณมีปัญญามีวิชาอ่านได้จริงในทุกขณะโดยเฉพาะทุกขณะที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะเกิดจริงมีสัมผัสจะเกิดอรยตนะแล้วก็จะเกิดสภาพวิญญาณวิญญาณคือธาตุรู้ผู้ใดที่ ไม่ได hmm. sure no no ้ศึกษาวิญญาณเลยความเป็นอัตตาในวิญญาณความเป็นอัตตาอยู่นอกวิญญาณไม่มีความเป็นอัตตาอยู่นอกวิญญาณไม่มีเพราะฉะนั้นคนใดที่ไม่รู้จักวิญญาณแล้วก็ไม่รู้วิญญาณหรือจิตไม่ศึกษาวิญญาณในวิญญาณหรือไม่ศึกษาจิตในจิตและไม่รู้จักสราคะไม่รู้จักสโทสะไม่รู้จักสโมห ก็ไม่รู้จักอัตตาของตนเมื่อไม่รู้จักอัตตาของตนก็ไม่มีทางที่จะทำอัตตานั้นออกเนคขมะไม่มีทางจนกว่าจะรู้ว่าเรามีเพรา ะ, ะนนคนเราจะมีหรือไม่มีก็จะต้องตรวจสอบความจริงและต้องรู้ว่าความจริงของสภาวะนั้นๆคืออย่างไร โดยเฉพาะยิ่งเป็นปรมาหรือเป็นนามธรรมนามธรรมขั้นความเป็นอัตตาคือมีลักษณะรูปอย่างไรที่คุณยังมีอยู่เรียกว่าอุปัจจยะยังสะสมยังทำให้มันเกิดอยู่อุปัจจยะสะสมแล้วก็เกิดเป็นอาสวะด้วยนะสะสมแล้วแตกตัวโตวอยู่โดยตัวเองไม่รู้หรอกเป็นอาสวะนี่ไม่รู้ ถ้ารู้คุณก็สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นสักกายะอาสวะนีนเป็นสักกายะของคุณคุณก็ล้างมันลูกศิษย์ปฤฤุโรหิตจารุปุโรหิตาจะล้างไอสิ่งที่พวกนี้เป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลเจตสิกตัณหสิสตัณสินก็จะล้างเพราะฉะนั้มันไม่รู้หรอกมันเป็นสภาพนี้อยู่อย่างไรอย่างไรไม่รู้มันเกิดแล้วมันจะเป็นเกิดแล้วมันก็ไม่หมดนะแทนที่มันจะหายไปเกิดแล้วหายเปล่า มันต่อเนื่องไปเลยเป็นสันตติเพราะฉะนั้นจะรู้ลักษณะรูปของอุปจจะสันตติหรือแม้แต่มันชรตชรชรตาชรตาคือมันจะดูเหมือนมันเสื่อมไปแต่มันยังไม่จบนะมันมนเวียนเสื่อมชรตาอณิจจตามันไม่เที่ยงคุณจะไม่รู้รายละเอียดของความละเอียดตรงนี้ของรูปลักษณะรูป ลักษณะรูปในยี่สิบสี่เป็นอุปาทานจะรู้คุณจะไม่รู้จริงๆขขออภัยเถอะไม่ใช่รู้ถูกหรอกคุณจะไม่รู้จักสภาวะอันละเอียดพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่รู้อุ ป, ปัจัยะที่คุณยังสะสมอภิจัยะอปิจัยะแปลว่าะสะสมเลยอ่ะอภิจัยะไม่สะสมขออภัย อภัยจยะไม่สะสมคุปปะเจยะนี่สะสมคุณจะไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่เข้าใจในเรื่องของลักษณะของวิการรูปรูปนี้คือสิ่งที่ถูกรู้เพราะคุณจะไม่มียานไปรู้ในานามมาทำขันปปะทายรูปขนาดนี้ ที่เป็นลักษณะของสิ่งที่เบามากเลยว่ละหุตาสิ่งที่เป็นที่อาตมากล่าวไปแล้วมุทุตาจิตที่มันไม่มุทุตานี่ไม่ใช่จิตที่อยู่กับที่นะมุทุตาเป็นจิตที่เป็น kinetic energy นะพร้อมกันในตัวของมุทุตาเนี่ย เอาออกได้หมดเร็วมากเลยถ้าจะเอาออกให้เร็วเร็วมากเลยมุทุตาปรับได้ง่ายเอาออกได้ง่ายรู้ได้เร็วไว้เร็วมุทุตาคุณจะไม่เข้าใจสภาวะของมุทุตธาทาทมุมทุตุภูตถาท่านี่เลยนะลัมมุตตามุทุตาเพราะฉะนั้นลักษณะกรรมยัญญตาไม่ต้องพูดเลยในการการงาน ลักษณะของกรรมกิริยาทั้งหลายแหล่ที่เป็นกรรมกิริยาอันเป็นกุศลเจตสิกทํางานอยู่ตลอดเวลากรรมัญญาตาทนแปลว่าการทมกวนแก่การงานหรือการกระทําที่เหมาะที่ควรมากตลอดเวลากรรมัญญาตานะเพราะงั้นสุดท้ายคุณก็จะไม่เข้าใจถึงขั้นแม้แต่ วิญญัตรูปวิญญัตรูปที่หยาบออกมาเป็นวจัจีวิญญัตออกมาเป็นกายวิญญัตก็ไม่รู้จักวิญญัตต่างๆพวกนี้วิญญัตคือลักษณะที่มันเกิดสมมติขึ้นแล้วเกิดปรากฏขึ้นแล้วกายวิญญัตก็คือออกมาทางองค์รวมตั้งแต่กายกรรมวัจจีกรรมมนโนกรรม ออกมาเป็นกรรมมันตะเลยคุณยัไม่รู้หรือมาเป็นแค่วจวีวิญญาตคุณก็จะไม่เข้าใจว่ามันมาจากจิตตัวไหนเพราะคุณอ่านจิตไม่ออกคุณอ่านจิตละหุตาไม่เป็นที่เบาบางมากละหุตาหรือละเอียดในจิตตักะวิตะกะสังกปะคุณอ่านลักษณะที่จิตเริ่มดำริแล้วก็เริ่มอารัปธาต์อารัมปธาตนิกกมธาต์ป ร, กรักกมธาต จนกระทั่งมาธาตุทิฏฐิธาตุถามาาถามาธาตุและเป็นอุปกรม์ธาตุธาตุนามธรรมละเอียดขนาดนี่จนกระทั่งมันมีแรงมีทิศทางพุ่งและความพยายามไปสู่จุดแห่งมโนสัจเจตนาไอ้ที่อาตมาพูดนี่คุณเองคุณจะบอกว่ามันพูดอะไรก็มันวะไม่รู้เรื่องเลยและพูดอยู่ได้คําพวกนี้ก็เห็นพูดซ้ำซากนี่แหละเนี่ย เป็พวกที่มีจิตเภศและพูดยำ้ำคิดย้ำทำย้ำพูดอยู่เนี่ยเบื่อไหมพวกคุณฟงังเบื่อไหมผู้ที่เข้าใครแล้วพูดที่เข้ารอบของอันนี้ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจไหมมันฟังยิ่งเข้าใจยิ่งขึ้นคนที่มีจิตร่าเริงในธรรม ยิ่งเป็นปรมาทิยิ่งโอโหยิ่งลึกซึ้งยิ่งร่าเริงยิ่งชื่นใจยิ่งปรุงมมันรู้มันยิ่งมันเข้าใจมันชัดมันเห็นจริงเห็นจริงเห็นจริงคนนี้ยิ่งฟังยิ่งลึกเพราะฉะนั้นธรรมอาวุจเจ้ายิ่งปรมาทิที่ลึกและพุทธิสาธยาธรรมลึกผู้ที่เข้าถึงรอบเข้าถึงเกณฑ์ที่รับรู้สัมผัสติดสัมผัสติดคนนั้นจะรื่นเริงในธรรมเบิกบานในธรรมจะซ้ำเท่าไรก็ซ้ำยิ่งกว่เพลงอมตะในหัวใจเลย รองแล้วลองอีกซ้าแล้วซ้ำอีกชื่นใจแล้วชื่นใจอีกเลยจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะรางคนแปดเจศูนย์ห้านเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะอ่านใจตัวเองที่เป็นอัตตาตั้งแต่อัตตาขั้นเล็กขันน้อยขั้นอนุยัยขั้นอาสวะขันลัหูตาขนาดไหนก็ตามจนมันหยาบมันใหญ่มันเป็นัก กายแปลว่ากายใหญ่ของตนเองตัวที่คุณจะสามารถสัมผัสมันติดถ้าคุณไม่รู้จักอัตตาตัวนี้คุณก็คือผู้ที่เฮลของคุณในบีอิ่งออนตลอดเวลา ขอเอาัยที่อาตมานี่มีความรู้อย่างภาษาอังกฤษนีะดันบใชยเดือนกิงเือและบางอาจใช้ภาษานี้กับคุณเพราะคุณเล่นประโยชน์ภาษาอังกฤษมาใส่อาตมาเลยอาตมาก็เลยเออลองนิดๆว่าไปกับคุณเล็กๆน้อยๆว่าอาตมาไม่บางอาจแล้วคุณโตมาอาตมาก็จนทางแล้วโคอาตมาไม่รู้ภาษาอังกฤษอะไรมากมายแต่ก็ใช้กันบ้าง พอกล่อมแกล้มพอฟังกันเนาะเพราะงั้นคุณจะสร้างความไม่พอใจนี้อีกเมื่อไหร่คุณจะพอใจที่อาตมาแสดงทำสักทีเนาะพอฟังแล้วโอ้อันนี้ดีเนาะพอใจอาตมาจริงๆบอกคุณตรงๆอาตมาฟังคุณว่าอาตมามาตลอดนี่วิจัยวิจารณ์อาตมาเปรียบเทียบกระแทกกระทันแด ก, แ ก, แ ก, แ ก, แกนั้นประชดประชันยังไงมาก็แล้วแต่ที่คุณทํามาตลอดเวลากับอาตมาเนี่ย อาตมาไม่เคยมีจิตบ e เทลออนกับคุณเลยนะจริงๆอาตมาไม่เคยมีจิตไม่พอใจกับคุณสักสิ่งที่กระทบสัมผัสสักทีอาตมาเขายืนยันว่าอาตมาอ่านจิตตัวเองเป็นแล้วก็รู้จิตตัวนี้จิตตัวนี้ของอาตมาเคยเกิดไม่กับคุณที่ว่ามาหรือค น, น, นอื่นๆอาตมาก็ไม่เกิด อย่คุณนี่ตอแยแตมาขนาดนี้มันน่ากเกิดแล้วละ่ะแต่แตมาก็ไม่เคยเกิดเพราะคุณก็ทั้งยาวนานทั้งเล่นจะรอเอาเถิดม า, มากมาอีหูไม่ลูกกี่ลีลานหะยาบก็แล้วอนะโรแมนติกก็แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยโรแมนติกไหมนะแตมาก็ยังไม่ขึ้นนะ ยังไม่แห้วออนกับคุณสักทีนถ้าคุณไม่รู้จักความเป็นสิ่อัตตาหรืออัตตาเนี่ยมันแปลว่าอะไรอตมาเคยเอามาขยายความเอามาแปลแล้วมันแปลเองนะอตมาไม่ได้แปลเองนะอตมาคนมาจากพจนานุกรมที่เขามีกันไว้แล้วก็เอามาเอามาแปลเอามาขยายความให้ฟัง จะมาเป็นเนบไว้ไหนอ่ะคำว่าอัตตะเนี่ยยังคิดว่ายังไม่เอาไปทิ้งนะยังอยู่นะอัตตะแต่พอจำได้ว่าอัตตะเนี่ยนะตรวจมาจากพจนานุกรมของฉบับไหนก็จำไม่ได้แล้วมันมีหลายฉบับก็เอาฉบับที่คิดว่าเออเข้เาท่าดีอ่ะอัตตะปฏิลาภวะ อัตมาจากพระจณานุกรมไม่ใช่อัตตปฏิลาภอัตตปาฏิลาภเปวนคำที่ขยายความอัตมาพอจำได้มันจะยาวเสียเวลาเอาที่จาได้คิดว่าไม่ผิดหรอกแปลว่าสิ่งที่ยกขึ้น จ, จิตเราเนี่ยยกสภาพนี้ขึ้นมาสมมุติขึ้นมาแล้วมาเกิดมาเป็นในจิตของเราแล้วเริ่มต้นมีนิดหนึ่งชั่วขณะหนึ่ง แล้วคุณวางไปมันก็หมดอัตราไปถ้าวางจริงนะวางขาดเลยไม่ไม่มีในสัญญาไม่สั่งสมลงไปในสัญญาในจิตจำหรือแม้คุณจะจำแต่คุณไม่มันมีอยู่คุณไม่พยายามดึงมันขึ้นมาใช้เลยมันก็เป็นอยู่อย่งนั้นะถ้าคุณไปต่อเชื่อมมันก็จะเป็นสัญญาต่อเชื่อมของเก่าของคุณดึงขึ้นมาเป็นสัญญาณและคุณก็เอามาใช้ มันก็จะเป็นตัวที่ถูกใช้นี่เป็นรายละเอียดของสภาวะนามธรรมาจิตนี่มันละเอียดแล้วมันเป็นบทบาทอย่างที่อามากล่าวเนี่ยดุเดือดพอเวลามันเมใหญ่มีโตขึ้นมามันมีสภาวะขึ้นมาแล้วมันดุเดือดนะมันเล่นงานมันทำร้ายทาร้ายตัวเองทําร้ายโลกทำร้ายมนุษยชาติอัตานี่แหละทําลายมนุษยชาติ เดี๋ยวอาตมาจะได้ใช้เวลาตอนหลังเขาให้เทศชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอาตมาก็จะใช้เวลาเต็มเปี้ยเลยพยายามจะไม่ให้ขาดแต่ไม่รับรองเกินถ้ามันเกินอาตมาไม่รับรองตัวเองเพราะเป็นคนเบรกเสียเบรกพริ ก, การอาตมาเป็นคนเบรกพริ ก, การแต่คันเร่งดีดีคันเร่ง ยังไม่ทันไปแตะยังไม่สัมผัสเลยพลังงานมันมีซ้อนอยู่เลยพลังงานยังไม่แตะเลยนะพลังงานทำงานคันเร่งทำงานแล้นะยังไม่แตะคันเร่งดีเข้าไปใกล้เท่านันะ้นเนะคันเร่งบืดไปแหละสรุปแล้วคาว่าอัตตาสรุปลงคาว่าอัตตาก่อนอัตตา หรืออัตตาเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่คนไม่รู้ตัวคนเรียนรู้ความเป็นอัตตาไม่ได้อย่างละเอียดถึงขั้นที่อัตมาพูดแล้วว่าแม้แต่เป็นอุปาทานยรูปถึงลักษณะของลักษณะรูปวิการรูปนะเพราะงั้นมันจะมีสภาวะที่มันจนเป็นรูปต่างๆอัตมาจะไม่สาธยายรูปยี่สิบสี่ยี่แปดอะไรหรอกนะ ก็คุณก็ไม่สามารถที่จะเพราะคุณไม่สามารถคุณมีสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในตัวของคุณเป็นอัตตาของคุณแต่คุณไม่เรียนเพื่อรู้ความเป็นอัตตาของตนจะละเอียดเบาบางถึงขั้นลักษณะรูปหรือวิการารูปหรือวินยัตรวิญญัตรูปหรือภาวะรูปรูปที่เป็นอิทธิแพทยุริสแพทย เพศชายเพศหญิงทีเนะ่เป็นลีลานเป็นลักษณะสองอย่างนะมันต่างกันปริศาก็คือตัวจบตัวแข็งแรงตัวสมบูรณ์ส่วนอิทธินี่คือตัวยังเคลื่อนไหวอยู่ตัวยังไม่จบยังลีลาอยู่มากลีลามากลีลาน้อยถือว่าอิทธิภาวะทั้งนั้น ทัดเทียบกับสิ่งที่เราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดเพราะผู้ที่หยุดนั่นคือปุริสภาวะส่วนผู้ที่ยังไม่หยุดนั่นคือผู้ที่อิทธิภาวะลีลาของนามธรรมของจิตของคุณยังมีอิทธิหรือมีปุริสแล้วเป็นเอกคตาเป็นจิตที่เอกคตาแล้วเป็นหนึ่งเดียวหยุดนิ่ง สงบเสร็จมีอิทธิพลเต็มรูปคุณเป็นนอยังถ้าคุณยังไม่เป็นคุณยังไม่จบปุริสภาวะของจิตของคุณหรอกคุณยังมีอิทธิภาวะเพราะคุณจะเข้าใจภาวะรูปสองอย่างนี้โดยพลังงานของจิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าคุณเรียนรู้อ่านไม่ออกและคุณก็ทำให้เป็นถึงที่สุดแห่งปุริสภาวะ ปุริสินสีเมื่อใช้พลังของปุริสภาวะเนี่ยเป็นประโยชน์มันจะเป็นปุริสินสียเป็นกําลังของบุรุษเป็นกําลังของสัตว์บุรุษหรือสัต ป, ปุริสเพราะคนจะไม่มีทางที่จะรู้เพราะงั้นอาตมาแปลหัตถายรูป ไม่เหมือนโบราณอาจารย์ไม่เหมือนที่คุณเรียนมาในบันทึกอัตมาเห็นพระอภิธรรมบันทึกว่าขัตทยรูปคือหัวใจคือสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นสิ่ ง, เ ป, งเป็นอันเป็นที่อยู่มันไม่ใช่นามมาทำมันไม่ใช่ปรมาถ้าไทยหมายถึงแต่เอารูปหัวใจเลยและอยู่ในห้องที่สี่อีกต่างหาก และมีน้ำเลี้ยงไปสีน้ำเงินได้อีกนะจิตปิญญาณอยู่ตรงนั้นว่างันนะเป็นลักษณะเป็นรูปธรรมหมดเลยเป็นวัตถุรูปหมดเลยขัตถยรูปหัตถยรูปเป็นนามธรรมเอกจรังอสรีรังไม่มีที่อยู่ ทุรังคมังไม่มีที่อยู่ไปได้ทั่วทุรังคมังอเอกัจรังอยู่ของตัวเองไม่เกี่ยวกับใครจริงๆเลยอสริรังไม่มีสภาวะที่คุณจะรู้ได้ถ้าไม่เกิดอาการถ้าไม่เกิดอาการเพราะฉะนั้นถ้า คุณไม่สามารถมีผัดสะอาการไม่เกิดให้คุณรู้ได้คุณเรียนรู้ไม่ได้เลยวิญญาณทวยพเจ้าถึงพยายามแม้ที่สุดขอเข้าไปลึกจิตของคุณไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหรือแต่จิตที่คุณยังไม่ปรินิพานคุณจะมีสัญญามีคลังแห่งความจำของคุณอยู่ เป็นอัตภาพของคุณคุณยังไม่ปรินิพานคุณยังมีอัตภาพมีอัตตามีสมมติของคุณอยู่ในนี้เต็มเต็มของคุณนี่แหละถ้าคุณไม่สัญญาไม่กำหนดดึงออกมามันก็ไม่มีหรือคุณอยากดึงของคุณนี่ออกมาคุณไม่มีความสามารถมันก็ไม่ออก ถ้าคุณสามารถดึงได้คุณดึงมันก็มีถ้าคุณไม่ดึงเลยคุณมีกำลังแห่งสัญญากำลังแห่งจิตกาลังแห่งความสามารถที่จะไม่ใช้สัญญาใดๆก็ได้คุณอยู่เหนือสัญญาคุณไม่สัญญา เป็นเราก็ได้ไม่เป็นเราก็ได้เป็นอตมยตาอตามยตาคือความสำเร็จของอัตตาเป็นอมตะบุคคลเป็นบุคคลที่จะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นั่นคือผู้สูงสุดแห่งอำนาจของจิตของเราเองมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ซึ่งมันเหนือความคิดที่คนจะคิดคุณมีเองคุณจะรู้ได้เองไม่มีใครสามารถที่จะรู้อันนี้ของตนเองนะเพราะฉะนั้นในคุณพูดให้อตมาอธิบายเก่งจริงอธิบายรูปยี่แปดมาสิอตมาก็กค่อยๆอธิบายไปทีละละเอียดละเอียดไปทีละวาระนี่แหลแม้แต่หัตถยรูปในอตมาอธิบายว่า อาตมามั่นใจว่าอาตมาเข้าใจถูกว่าหัทธยรูปนั้นมีที่ตั้งของนามธรรมาไม่ใช่มีที่ตั้งอยู่ที่รูปธรรมใดเลยคุณฟังภาษานี่รูไ้ไหมล่ะเพราะจะเกิดก็ต้องเกิดอยู่ที่ใจของใครของมันหัทธยรูปเนี่ยแม้แต่ตัวเองนี่ก็ไม่อยู่ที่หัวใจตรงนี้ไม่อยู่ อยู่ที่นามธรรมของคุณเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนทุรังคมังไปได้ไกลลิบไกลไหนอยู่ไหนอ ย, อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็ได้แต่เป็นเราตัวเราของเราตัวเราเท่านั้นของเรามะมังมะมะอันเราเนี่มะมะมะมังอยู่ตรงนี้นเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นสภาพของ รูปนี้เกิดชีวะเกิดอาการของมีทั้งนามและรูปเมื่อมีทั้งนามและรูปมีทั้งเป็นสังขารที่ประกอบไปด้วยบิญญาณและกายมีองค์ประชุมมีทั้งรูปและนามประชุมกันขึ้นโดยมีองค์ประชุมนั้นหนึ่งกับสัญญาและใจในใจมีสัญญามีการกำหนดรู้ด้วยทำงาน อันนี้เป็นชีวิตรูปแล้วนนเป็นชีวิตรูปแล้วเมื่อเ ป, เป็นชีวิตรูปแล้วเป็นอุปาทินกะสังขารขึ้นมาแล้วตั้งแต่เป็นผีชะนี่นะมันเป็นสังขารแต่มันยังไม่มีธาตุรู้ถึงขั้นวิญญาณมันเป็นชีวิตรูปนะแต่มันไม่เป็นรูปที่สมบูรณ์ด้วย จิตนิยามมันเพิ่งเป็นผีฉาณนิยามเพราะฉะนั้นมันก็มีเครื่องอาศัยเรียกว่าอาหารรูปต่างกันกับสัตว์พืชกับสัตว์ก็ต่างกันตอนสัตว์กับพืช ก, ก, ก, ก็จะรับอาหารคนละอยา่างลักษณะแม้มาจะละเอียดเกินถ้าอาหารเป็นคําคะเป็นสิ่งที่เอาขึ้นไปสังเคราะห์ ธาตุด้วยกันพีชะก็เอาไปสังเคราะห์ธาตุตัวเองสังเคราะห์โดยไม่มีรถสังเคราะห์มีแต่สัญญารู้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาใช่เอาซื่อสัตว์มากนะสื่อสัตว์มากนะมันไม่เบี้ยวพีชามันสื่อสัตว์ม า, ม า, มาอันนี้ใช่มันไม่ใช่มันไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วมันก็ไม่รับจริงๆรับไม่ไดนะ้แต่ขนาดนั้นยังมีคนสามารถไปบลีดพันบีบให้มันเปลี่ยนแปลงเพศเปลี่ยนดี a ออมันได้อีกเหมือนกันแต่ตัวมันเองมันก็เพี้ยนได้มันก็นอนมากกว่าจะเพี้ยนด n a ็เของมันกว่าจะเพี้ยนตอนนี้อาตมาก็ชักจะพูดดี a อไปตามดรคลขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนั่นเนะี่ยเพราะเรานี่มีเมืองไทยมีดรคลาอับสอนนี่ แม่กำลัง oh, อินกับดีเอมากอาตมาก็เลยได้รับอินเทรนมามงได้รับกระแสมาจากดรคลายมังนิดหน่อยในบางอาหราอกอาตมาไม่เก่งหรอกแต่เขาไปเขาขอ ข, อ ข, อขอตามไปหน่อยตามไปด้วยเ น, นี่ยมันจะยืดยาดเกินไปจหมดเวลาอาตมาก็ลงรายละเอียดต้องตั้งใจฟัง ขออภัยนะผู้ที่ไม่มีพื้นหรือว่าไม่ได้มีความรู้วันนี้วันลองเข้าวันศาก็ขอพูดประมัตร ธ, ธรรมที่เอาอย่างนี้ดีกว่าลองลองถามดูถ้ามีสักประมาณ 5% าเปอเตนตมาก็จะทำต่อถ้าไม่ได้ถึง 5% ้าเปอเซนตตมาจะไม่ทำต่อใครฟังพอเข้าใจบ้างยกมือขึ้นโอ้กว่าห้าเปเซนตกว่าห้าเซตเอา นะพูดต่อรู้ว่ามันยากคนเข้าใจไม่ไม่มากเท่าไรหรอกเอาทิศามอีกทีหนึ่งนะอย่าอายไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้ใครฟังแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องนะถึงขั้นไม่รู้เลยคนไม่รู้เลยฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยหรือไม่ค่อยรู้รู้นิดๆนิดๆนะลองยกมือซิใครไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่รู้เลยโอ้น้อย ไม่รู้แล้วไม่ค่อยรู้เลยยกน้อยมากเลยอ๋อมีน้อยคนจริงเลยแม่นิมิตหมายที่ดีมากเลยในข้าพรรษานีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการที่พูดไปแล้วเนี่ยมีผู้รับฟังได้เข้าใจได้มากประมาณขนาดนี้ซึ่งเป็นปรมาจธรรมที่ลึกขนาดนี้อาตมาขออาภัยจะบังอาจพูดอาตมาเชื่อว่าแม่แต่ในวงการอภิธรรมเอง ก็จะไม่อธิบายอย่างอาตมาอธิบายนี้ขอยืนยันไม่ใช่เบิดหลงตัวหรอกอาตมารู้ว่าอาตมาเป็นใครในยุคเกิดมายุคนี้จริงๆแล้วอาตมาจะสาธยายค่อยค่อยสาธยายมาถึงวันนี้เนี่ยคุณแปดเจ็ดสนห้าบอกว่าอาตมาพูดซ้ำซ้ำย้ําซ้ําแล้วย้ําอีกคนตื้นจะวนอยู่ในกรอบต่าเพราะฟังไม่ออกกันได้แค่หยาบๆฟังคําก็ได้ พูดเ่ อ, อไหมีแต่จิตเจตสิกรู้นิพพานถูกต้องแต่เนื้อก็จิตเจตสิกนิพพานคุณไม่รู้เรื่องแล้วพูดอะไรว่าอัดเด้นเรคุณก็ต้องพูดอย่างนั้นคุณก็ต้องว่าอตมาอย่างนั้นก็ถูกแล้วอตมารู้ว่าความผิดของคนผิดนั่นก็ถูกแล้วอลตมาไม่ได้สงสัยอะไรนี่ อาตมายอมรู้ความผิดของคนผิดก็ถูกแล้วนี่ของคุณพูดคุณแสดงออกมาให้อาตมาฟังเนี่ยคุณแสดงความถูกต้องของคุณเองออกมาทุกทีเลยเพราะคุณแสดงความผิดของคนผิดออกมาให้อาตมาดูตลอดเวลาอาตมาก็จะไปสั บ, ส, บสนอะไรอาตมาไม่ได้เคยสับสน น, ะ, น ะ, ะงั้นในเรื่องของอาหารรูปสิ่งสิ่งที่ต่ตางแต่กอ ร, ริลิาานกอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตระหานอาหารสีเนี่ย ไปจนถึงข้างวิญญาณอาหารคุณจะเข้าใจคุณจะแยกมาใช้มาทำประโยชน์มาศึกษาแล้วก็เข้าใจตั้งแต่วิญญาณอาหารที่เป็นการเป็นอัตตาลึกไปถึงอัตตาสุดท้ายถึงการอาสวะคุณจะรู้อาหารมันไหมคุณอาศัยมันหรือคุณไม่อาศัยมันแล้วไม่ต้องมีอาหารจยางนี้แล้วแม่แต่สูงสุด ถึงขันอาสวะคุณก็ไม่ต้องมีคุณคุณรู้สภาวะพวกนี้ไเหเล่าอาหารรู ป, ประดับนี้หรือแม้แต่ปฏิเชทรูปรูปที่ว่างแล้วขาดไปแล้วไม่มีแล้วว่างไม่มีศูนย์ปริเชทรูป คุณต้องรู้รู้คือสิ่งที่ถูกรูก้คุณรู้ว่าจิตของคุณไม่มีมันไม่มีแล้วมันว่างแล้วมันศูนย์แล้วมันเปล่ามันปริเชตะตัดออกไปหมดแล้วขาดไปหมดแล้วทําแตกไปรอบหมดแล้วปริเชตะก็แปลตาพยัญชนะตรงๆปริ feito, คือรอบเชตะก็แตกตัดเฉจาก็ตัดตัดออกไปหมดแล้วไม่มีสิ้นเลยสิ้นรอบเลยไม่ไม่มีตัดขาดหมดแล้วคุณรู้ความตัดขาด ข, าดของจิตของคุณได้ไหมล่ะ ต่องนั้นนี่พูดครบเลนะวิญญาตรูปสองวิการรูป5้าลักษณะรูปสี่ครบอุ ป, ปาถายรูปย4ิบสี่แล้วคุณต้องมีสิ่งเหล่านี้โดยคุณมีญาณรู้และมันมีสภาวะเหล่านี้ในจิตของคุณให้คุณรู้แม้ซอยรายละเอียดของวิการรูปของลักษณะรูป วิการอีกห้าลัษณะอีกสีกก่คุณเห็นสภาวะนีเกิจากคุณไม่ล่ะแม้ต่ที่สุดความว่างความศูนย์ที่เป็นปริเชตรู้คุณก็รู้ไม่ล่ะศักษณะนี้ของคุณนะเพราะงั้นคุณดูถูกคำอัตตาอัตตาคือสิ่งที่ถูกรู้ถ้าเราไม่มีมันก็รู้ว่าเราไม่มีอัตตาถูกรู้โดยเราโดยญาณของเรา คุณสามารถมีรายละเอียดของสภาวะทำขั้นนามมาทำละเอียดถึงขั้นอารูปที่พูดนี่มันเป็นอารูปเยอะไม่ได้พูดถึงมหาโูธรูปไม่ได้พูดถึงประสาทรูปไม่ได้พูดถึงโคจรรูปที่เกี่ยวเนื่องด้วรู้ได้โดยตาหูจมูกดินกายรู้ได้โดยธาตุเป็นธาตุดินน้มไฟลมอาตมาไม่ได้พูดถึงระดับอุปาทายรูประดับ ภาษาตรูปหรือโคจรรูปเลยอาตมาพูดถึงละเอียดมาถึงขนาดอิกการรูปลักการูปแม้แต่ปริเฉทรูปอาตมาก็พุ่คุณได้รู้จริงไหมล่ะว่าจิตของคุณว่างแล้วจริงจริงนี่คุณอ่านจิตคุณออกตั้งแต่หยาบตัวช้างเอาช้างออกจะกโพยกาได้หมดแล้วรู้ละเอียดแล้วว่าช้างคือส่วนไหนบ้างเอามันออกได้จริง จะจนหาช้างคุณก็เอาหางช้างออกจากควยกาได้เกลี้ยงเลยและคุณก็อยู่กับช้างใช้ช้างเป็นประโยชน์ตลอดเวลาโดยไม่หลงว่าช้างนะี่คือเราเราคือช้างแต่เราก็อยู่กับช้างโดยไม่ได้สับสนว่าช้างคือเราเร า, เราคือช้าง ก็คงจะพอสมควรขยับไปที่เอสเเอวันที่ยี่สิบของคุณแปดเจ็ดศูนาบอกว่าอย่างนี้แล้วจะเอาอันนี้เป็นอันอธิบายไปจนจบเวลาคุณแปดเจ็ดศูนย์หบอกว่าคำโกหกมีอยู่จริงแต่คำโกหกนั้นไม่จริงฉันใดเอา อุทาหรณ์เรียกว่าข้อเปรียบเทียบของที่อาตมาผูกขึ้นมาใช้บรรยายนะเอาดาบนั้นคืนสนองอาตมามาเลยนะคำโกหกมีอยู่จริงแต่คำโกหกนั้นไม่มีจริงไม่จริงไม่ใช่ของจริงไม่จริงคำโกหกไม่จริงฉันใดว่าอย่างนี้เลยนะฟังดีๆนะคือเก่งฉลาดและรู้ความหมดแต่ หน้าของสารตรงที่เราว่าไม่เรียนรู้อัตตาคำโกหกมีอยู่จริงแต่คำโกหกนั้นไม่จริงฉันใดโอราริกะอัตตามนโนมยะอัตตาอรุปะอัตตาก็มีอยู่จริงในลงเล็บโดยสมมุติแต่ว่าอัตตาทั้งสามนี้ย่อมล้วนไม่จริงลงเล็บโดยปรมัิพูดถูกต้องหมดฉันนั้นโอเคไหมจ๊ะ โอเคจ้ะเอาอ่านให้จบของเขาก่อนแต่อาศัยว่าชาวบ้านอาศัยว่าชาวบ้านที่มากินมังสวิรัตตามโพธิรัก์นั้นส่วนมากเป็นคนซื่อเนี่ยชาวบ้านที่มาอาศัยกินมังสวิรัตตามโพธิรักนั้นส่วนมากเป็นคนซื่อไม่ค่อยมีปัญญาอย่าไปโกรธเขานะฟังให้ดีต้องดูอัตราตัวเองว่ามันขึ้นหรือเปล่านะ่ะ ไม่ค่อยมีปัญญาจึงไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เจ็ดสิบเกปีคืออาตมาอายุเจ็ิบเก้ย่างแปดสิบไงก่อนหน้านี้เจ็ดบเกปีก็ไม่เคยมีเสด็จปู่โพธิรัตน์คืออาตมายังไม่เกิดก่อนหน้านี้เจ็ิบเก้าปีผ่านมายังไม่มีเสด็จปู่โพธิรัตน์และหลังจากนี้ไปเจ็ดสิบสองปีบวกอายุให้อาตมาเลยจะอาตมาจะอายุร้อยห้าบเอ เอา7จบสองกจ็7สิบ้าบวกกันเสร็จและหลังจากนี้เจ็ดสิบสองปีเมื่อโพธิรักษ์ตายแล้วก็ย่อมจะไม่มีเสด็จปู่โพธิรักษ์เหมือนกันเห็นไหเทียบเคียงได้เก่งมากทุกทั้งหมดเลยโอเคโอเคสรุปว่าอัตราของโพธิรักษ์มีอยู่จริงแค่ร้อยห้าสิบเอ็ดปีจริงจริงจริงเลยเดี๋ยวอาตมาจะขายว่าคุณยังไม่รู้อะไรต่อ ฟังไว้ตรงนี้ไปวัดแล้วค่อยอธิบายอ่านจบก่อนสรุปว่าอัตราของโพธิรักษ์มีอยู่จริงแค่ร5อยห้าสิบเอ็ดปีเท่านั้นแต่ว่าอัตราของโพธิรักษ์นั้นย่อมไม่จริงฟังให้ดีๆนะฟังเขาต่ตอบไปเหตุเพราะไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานเป็นอากาลิโกเช่นเดียวกับปรมัตธรรมได้พทธเจ้าจึงสอนไม่ได้อยู่ที่สามเรื่อง พระพุทธเจ้าสอนสอนไม่ได้ท่านสอนไม่ได้สามเรื่องนี้ท่านสอนไม่ได้คือหนึ่งสอนคนโกงไม่ให้โกงท่านสอนคนโกงไม่ให้โกงนี่ท่านสอนไม่ได้คมบาดเลยนะไอตมาก็ยังไม่เคยเจอว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี้แล้วพระพุทธเจ้าตัดไว้ใช้อ้างว่าพระพุทธเจ้าโดยน้ําว่าพระพุทธเจ้าจะไม่สอนคนคนโกงไม่ให้โกงเพราะไอ้กระับมันเป็นคนโกงนี่เดสอนไม่ให้โกงนี่ สอนไม่ได้หรอกสองสอนคนหน้าด้านไม่ให้ ม, ใหมีอย่างอายสอนคนหน้าด้านให้มีอย่างอายก็สอนไม่ได้โอ้โหคมบาดเลยเก่งจริ ง, รงๆเลยมึงเก่งสามสอนเดรัจฉีที่มิจฉาทิฏฐิเช่นเทวทัตและสาวกของเทวทัตวงนี้เปิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในถึงปัจจุบันนี้หมายถึงอัตมาวงนี้ปิดให้กลับกลายเป็นสมาธิได้ สอนไม่ได้สอนเดรัถีให้มากลับมาเป็นผู้ที่สอนให้หายเป็นเดรัีเนี่ยให้เป็นสมาธิเนี่ยสอนไม่ได้สามอย่างเนียคนโกงไม่ให้โกงคนหน้าด้านไม่ให้รู้จักไม่ให้มีอายให้มีอย่างอายหรือว่าคนเป็นเดรัีให้มันปสมาธิเนี่ยสอนไม่ได้นะเดี๋ยวจะได้รู้การว่าใครเป็นเดรัีตัวจริง สรุปพระโพธิรัก์ก็อลองพิจารณาดูเองก็แล้วกันว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนอตอบก่อนถึงก่อนตอบตรงนี้ก่อนฟังดีๆนะคำตอบคำนี้เนี่ยอาตมาเป็นคนประเภทที่รู้จักความเป็นอัตตาจริงนี่คือคำตอบประโยคแรก อัตมาเป็นคนประเภทที่รู้จักความเป็นอัตตาจริงและได้ปฏิบัติจนหมดสิ้นอัตตาได้จริงขออภัยวันนี้อดอุตริศรมศัพทของตนสมบูรณ์แบบฉลองรเข้าพันษาปี2506และปฏิบัติจนหมดสิ้นอัตตาได้จริงและรู้แจ้งเห็นจริงด้วยสมปัญญาอันวิเศษของตนด้วยว่าอัต ตาของตนสิ้นแล้วไม่มีอยู่จริงเพราะมันอนัตตาจริงๆมันไม่ใช่อัตตาตามที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าว่าไว้นั่นแหละอาตมาเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่อัตตาเพราะอาตมาล้างอัตตาของตัวเองหมดแล้วจึงจบอ๋อสำเร็จแล้วอตามนั้นไม่ใช่อัตตาหรอก มันเป็นของสมมุติเพราะงั้นจึงรู้แจ้งว่าผู้ยังมีอัตตาอยู่คืออย่างไรเพราะตัวเองรู้ว่าตนเองหมดอัตตามันเป็นเช่นนี้จึงรู้ว่าคนยังมีอัตตาอยู่คือเช่นคนเช่นไรและรู้ไปถึงว่าคนที่มีอัตวาทุ ป, ปาทานเท่านั้นคือคุณแปดเดศูนย์ห้าไงนี่คือคําตอบนะจ๊ะ ถามว่าเป็นประเภทไหนเป็นประเภทเนี้อัตมาเป็นคนประเภทเนี้ตอบอีกก็ได้เพราะโนต้ตมาอัตมาโน้ตมากลัวจะเรียบเรียงพูดผิดเพราะมันละเอียดมากเพราะนั้นอ่านให้ฟังอีกก็ได้รอบหนึ่งถามว่าโพธิรักจะได้รู้ตัวเองสัไทีพิจารณารู้แล้วกันว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหน โพธิรักเป็นคนประเภทที่รู้จักความเป็นอัตตานะจ้ารู้อย่างจริงๆด้วยรู้ทั้งความเป็นโอราทิกอัตตานั้นอย่างไรมโนมยอัตตานั้นอย่างไรอรูปอัตตานั้นอย่างไรแล้วก็ได้ปฏิบัติจนหมดสิ้นอัตตานั้นได้จริงขอยืนยันข้อพายจริงๆวันนี้ย้าวอาตมาโอโดเตริมุสธรรมที่เกินเลยเล ย, เลยอาตมา เป็นความจริงที่อตาตมาต้องตอบพระพุทธเจ้าสอนไว้ในพมัญชารสูตรว่าเขาว่าอาตมาใช่อย่างนี้ถ้าอาตมาไม่ใช่อาตมา ก, ก็ต้องแก้กล่าวแก้ว่าอาตมาไม่ใช่คนอย่างที่คุณพูดอะไรที่ใช่ก็บอกว่าใช่รับว่าใจท่านสอนอาตมาให้ตอบอย่างนั้นหรือแม้แต่ในปฐมภาวนาปัจจวิ์ข้อที่สิบพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคล้ายๆกระถามว่าอาตมามี อุตริมุตตมในตนไหมถ้าใครอยากรู้ก็บอกเขาเลยเขาถามมาเขาแสดงลักษณะว่าเป็นคนประเภทไหนนี่ก็ถามแล้วก็ตอบไปตามที่พระเจ้าสอนทุกอย่างไม่ได้ขัดคําสอนสักอย่างอภิณหปัจเจเวก็คือใครอยากรู้ประเภทไหนก็ตอให้ฟังว่าอาตมาเป็นคนประเภทนี้ด้วยความจริงใจ ได้เมตตาไม่ได้โกรธได้เครืองนะั้นไม่ได้ติดใจสื่อสาว่าคุณรู้ถูกอาตมาคุณย่าย่ำเยอาตมาเป็นเดรัจฉีเป็นไม่ติดใจหรอกเพราะอาตมารู้ว่าคุณพูดนั้นพยัญชนะภาษาทั้งนั้นพระอาตมาเข้าใจแล้วคุณมียิ่งกว่าโพธิละแต่ตำนานะตัวโพธิรักจริงนะแต่คุณศิษเป็นโพธิละแท้จริงเลยยิงกว่ารู้สึกกินนี้อ่ อเขาพูดมาเองรู้สึกกินเนี่ยนะแล้วก็เปหล ง, ลงปิดประตูท่าหมดเลยอยู่แต่ในประตูเดียวแล้วตัวเองปิดประตูนะตัวเองอยู่ในอยู่ในอยู่ในรูนะปิดประตูท่าหมดแล้วอยู่ในรูนั่นมันจะไปรู้อะไรละมันก็อยู่เป็นเฮียดังเดิมอะ่ะขออภัยไม่พูดแรงไปก็จมอยู่ในรูในตรงนั้นแม่ขออภัยจริงๆครับขออภัยนะเอาลบๆที่พูดไปเมื่อกี้นี้แตมาพูด ว่าคุณเทียบเทียบเทียบใส่คํามันแรงไปมันมากไปเพราะอภัยที่มันมันได้พลาดไปแล้วนี่เป็นปกครองอบรมอวบัดก่อนเข้าพรรษาเนี่ยังไม่ได้ฮะค่อยตามสมมุติที่คุณป้ามาอาตมาคุณพูดมาเองฤศีกินเงี้ยอะไรคุณก็พูดมาเองอาตมา ก, ก็หยิบมาขยายความเพราะคุณรู้เนี่ยมาคุณรู้อาตมา ก, ก็เอาของคุณรู้น่ะมาจะได้เข้าใจง่าย อาตมาก็ถ้าคุณสิ่งที่คุณยังไม่รู้ร่วงเรื่องโดยพูดมันจะต้องสืบสาวคัเอาความมันยาวขออภายัยที่มันรู้สึกว่ามันย้อนกลับคืนไปแรงไปหน่อยย้อนกลับคืนไปแรงไปหน่อยเพต้องขอนี่ขอาา้อไปด้วยใจจริงนะไม่ใช่พูดเล่นเพราะอาตมาเขายืนยันอาตมาเนรู้จักเป็นคนประเภทรู้จักอัตตาทั้งโอราติกัตตาทั้งมนุญย์อัตตาและทั้งอรูปอัตตา แล้วก็ได้ล้างอัตตานั้นอย่างสิ้นจริงๆเลยจึงสบายทุกวันนี้ทีนี้ก็ถึงเวลาทจะได้สาธยายสารธรรมที่เข้าสู่ธรรมแท้ๆตั้งใจพูดให้ถ้าคุณแปดเจษสุนาจะสุดสู้สั้นคุณแปดเจษสุนาก็คงจะเกิดปัญญาแน่นอน นะก็จะพูดถึงเรื่องอัตตาสามเรื่องอัตตาสามที่นความเป็นผู้ที่อมตะแล้วเนี่ยจะมีอัตตาก็ได้ไม่มีอัตตาก็ได้อตัตมยตาสำเร็จอัตตาด้วยตนเองอตัตมยตาและไม่ได้ติดยึดในความเป็นอัตตาของตนเองจริงๆเพราะรู้แจ้งอัตตาทะลุแล้ว มีอัตตาเฉพาะอาศัยไม่ลึกลับในความเป็นอัตตาจึงเรียกว่าอารหัตตาหรืออรหัตผลหรือเป็นผู้ที่อรหันมีอัตตาอย่างสูงสุดแล้วมีอัตตาอย่างสูงสุดโดยไม่ลึกลับอรหันอรหั น, หนไม่ลึกลับแล้วรู้แจ้งแทงทะู้ความเป็นอัตตาทั้งโอราริกอัตตาทั้งมโนมยอัตตา ทั้งรูประอัตตาโอราริกอัตตาคืออัตตาอยาอารูปรอัตตาคืออัตตาละเอียดสองข้อใหญ่ๆเพอเรียนรู้ตั้งแต่ต้นอยากไปจนละเอียดและต้องรู้ว่าความมีอัตตาของตนนั้นคืออย่างไรเพราะฉะคนเราก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นก็ต้องอยาบ ก, ก่อนต้องรู้ตัวช้าง ตั้งแต่ส่วนไหนของช้างตั้งแต่หยาบไปก่อนแล้วก็จัดการกับความเป็นช้างคืออัตตาของตัวเองอย่าติดยึดล้างออกมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าอาศัยเอาออกก่อนเอาออกก่อนจนไม่มีในเราทางของหยาบไปก่อนก็จะเหลือของละเอียดละเอียดตามมาเรื่อยๆดับๆเป็นอัตตามาตามดับจากสักกายะมาเป็นอัตตาลดลงลดลงตา ม, ตามอัตาตาของตัวเองเป็นอัตตานุษิทธิ ตามกันมาเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆจนมรือหางช้างเป็นอรูปอัตตาก็ล้างอรูปอัตตาออกหมดเกลียงเป็นผู้ไม่มีอัตตาของตนแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่ลึกลับในความเป็นอัตตาอารหันอรหัตตาถึงขั้นอรหันไม่ลึกลับเป็นทีท่สุดแล้ว แต่เมื่อเรายังรู้ว่าตัวเองยังอยู่ยังมีรติยังเป็นอยู่มีอยู่ก็ต้องมีอาหารรูปต้องมีสิ่งอาศัยสิ่งอาศัยทั้งหมดก็คือกายและใจกายคือองค์ประชุมองค์ประชุมอดินน้ำไฟลมอากาศและบิญญาณหกธาต ลีนา้าไฟลมอากาศคือช่องวา่างและวิญญาณจะไม่พลากจากการเป็นจกุกจนกว่าจะปรินิพานผู้เป็นอราหาันจะไม่พลาดธาตุนี้อาศัยแต่ท่านรู้แล้วว่าการยึดมั่มังมัมะยึดเป็นเราเป็นของเรานั้นท่านจบแล้วท่านไม่รู้ท่านเพียงอาศัยสิ่งนี้ เพียออาศัยสิ่งนี้เพราะการอาศัยชนิดที่เราจะต้องเลี้ยงขันเอางี้ก่อนอาตมาตั้งใจว่าจะอธิบายอันนี้แก้ความเข้าใจของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าที่คุณแปดเจ็ดูนย์ห้าว่าอย่างนี้เอาคำของอาตมาว่าคำโกหกมีอยู่แต่คำโกหกนั้นไม่จริง ซึ่งคุณแปดเจษฎุนาเข้าใจได้แล่เอามาย้อนเสียอัตมาคืนแล้วก็เลยบอกว่าเห็นไหมอัตมาบอกว่าทุกอย่างมันไม่จริงะเพราะทุกอย่างมันมีแต่คำโกหกทุกอย่างมันมีแต่คำโกหกมันไม่จริงหรอกเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นแล้วว่าคำโกหกไม่จริงคนนั้นก็ต้องไม่โกหกเลยตลอดกาลนาน ไอ้ที่โกโหกมาแล้วเออรู้แล้วแล้วไปจบตั้งแต่วันที่ตัดอรหรันอรหันแท้แท้เนี่ยหยุดเลยในเรื่องคำโกหกจะไม่เกิดในตนท่านอีกเลยตลอดการอตมาตอบได้ว่าอตมารู้จักโกหกดีอตมาเคยโกหกเพรา ะ, ะนั้นอตมารู้จักคำโกหก ว่าเป็นเช่นใดอย่างหยาบกลางละเอียดแม้โกหกอย่างเล่เล็กๆน้อยๆเล่นิดๆเล่่น้อยๆโกหกอย่างกระปิดก็ะปรอยโกหกตั้งแต่โคลโลโคลอลลแคแลคีดีไม่มีเลยคีีนี่นิดหนึ่งโคลโลนี่มาเลเธอเลยคอลอนี่ยอมลงมาหน่อย แคลแลเนี่ยคีรีเนี่ยจิไม่แ่บจะไม่เหลือหอกแล้วไม่มีแม้แต่คีรีคีรีเลยภาษาอีสานมีลักษณะนามละเอียดมากจงโปงจังปางจองปองเปลงแปลงจิงปิงอะไรพวกนี้เยอะภาษาอีสานมีละเอียดออกมาเพราะฉะนั้นไม่มีแม้แต่ละเอียดนิดละเอียดน้อยไม่มีเลย ล้างด้วยอรูปฌานสี่ตามพระเจ้าสอนว่างมันมีว่างจริงหรือเปล่าว่างคืออะไรวิญญาณสะอาดสะอาดอย่างไรวิญญาณที่คือธาตรู้ธาตรู้ที่สะอาดจริงๆบริสุทธิ์สะอาดและแข็งแรงมั่นคงเป็นสมาหิตังอย่างไรทบทวนของตนเองอ่อ่ อ, อ, อกินจัญญาทุลีละอองเศษนิดเศษน้อยที่มันจะไม่ให้มีในจิตวิญญาณเราให้มันสะอาดเนี่ย ให้มันว่างเนี่ยมันมาแซมเมื่อไหรมันมีเม่อไรอะไรนี่ออกมันจนมันไม่มีเลยกินจัญญะไม่มีเลยทวนแล้วทวนอีกเนวสัญญานาสัญญายตนาสัญญากําหนดเรียนรู้ทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันทุกปัจจุบั น, จจบนสั่งสมเป็นอดีตวัดสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตัวบกพร่องเนือขาดตัวบกพร่องจนมันเป็นสมบัติ สมบูรณ์เลยเป็นสมบัติอันสมบูรณ์เป็นสมบูรณ์เลยในสมบัติแม้ออดีตทุกปัจจุบันพิสูจน์แล้วในปัจจุบันว่าจะมาอีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอาการล้านประสบการณ์อีกล้านล้านล้านล้านประสบการณ์เราก็แน่ใจว่าอนาคตของเราเที่ยงนิจจังทุบวังสัสตังอวิปปริณามธรรมังสังเหลงสังคุปปังศูนย์ ได้พิสูจน์เวทนาร้อยแปดนี้อย่างจริงผู้นี้จบกิจกัตยานยานนี้เป็นยานของผู้ที่จะตัดสินตนเองคุณพลาดหน้าแตกเองนะพระหลานในหน้าแตกไม่มีหมอคนเย็บได้นะเลียแผลไปอีกหลายล้านชาติเลยเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดมากแม่พักคีณาศพอย่าพลาดชนนะเพราะฉะนั้นหารจะไม่มีกิจอยากจะอวดเลย แต่อวดก็ต้องมั่นใจอย่างเช่นวันนี้อาตมาอวดอะไรไปออกไปยืนยันอัตุริมุสตังตวุตตนเองเนี่ยอาตมาไม่เคยมาบรรยายตัวเองเอาตัวเองออกมารับรองอวดอุตุริมุสตังของตนเองแน่นอนหนักแน่นจริงจังวันนี้เป็นวันอะไรก็ไม่รู้เป็นเข้อพรนสา ข, ของปีสองพหรอหกอาตมาก็อายุย่างก็แปดสิบ 80สิบมา่กี่วันนั้นจากห้ามิถุนายนห้าหกมาถึงวันนี้กี่วันกี่เดือนวันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไรย่2ิบสามเอาห้าลบเลือเท่าไรสิบแปดฮะหนึ่งเดือนก็สิบแปดวันมิถุนากรกดาหนึ่งเดือนก็สิบแปดวัน โอ้โหชัดเจนเพราะอาตมาเข้าใช้เลขหนึ่งกับเลขแปดจริงชัดเจนจริงๆอาตมาเข้าใช้เลขหนึ่งเลขแปดก็อาตมาจะต้องก้าวขึ้นสู่แปดนะอาตมานี่เจ็ดรู้เปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขึ้นถึงขั้นก้าวหน้าแสดงว่าอาตมานี่มีนิมิตอาตมาเดินแล้วเดินละจากเจ็ดขึ้นแปดละหนึ่งนี่คือฐานของอาตมา แนี่คือการก้าวหนึ่งนี่คือทิฏฐาตแปดนี่คือพลังอุปกรม์ธาตุที่ใช้ทิฏฐาตเป็นฐานเป็นฟันคำ้ำเป็นฟันคำ้ำเป็นแกนหลักเหยียบพุ่งลงไปเลยหนึ่งนี่เป็นนิติทิฏฐาต ส่วน8นี่คือตัวเริ่มและเป็นอุปกรรมธาตุเป็นแรงแห่งความพยายามที่จะไปตามถามมทธาตุของอาตมาอาตมาจะมีถามมาธาตุมีกำลังเท่าไหร่เท่าที่อาตมาจะมีกำลังของอาตมาอตมา ก, ก็จะพุ่งออกจากสอนที่กำลังจะพุ่งออกจากแรงเดินต่อไปข้างหน้าเข้าใจไหมนี่ก็อาตมาพูดอย่างนี้เข้าใจกันบ้างไ้มมีใครเข้าใจบ้างที่อาตมาพูดยกมือที โอ้โหพวกนี่นี่อหรหันเป็นที่หมายเลยเนี่ยจริงๆถ้าคุณฟังนี้เข้าใจสามารถแล้วไปตรวจอัตตาของเราไปตรวจจิตของเราให้ดีๆแล้วคุณจะรู้เพราะฉะนั้นคําตอบของอตมาของคุณที่พูดว่าคาโกหกมีจริงแต่คําโกหกนั้นคือไม่จริงถูกต้องอัตมาเนี่ยเคยโกหก เคยมีคําโกหกแล้วอาตมาก็ศึกษาคําโกหกทําใจของอาตมานี้ให้แข็งแรงเป็นสมาหิตังแข็งแรงจนกระทั่งอาตมาไม่โกหกอีกจนบัดนี้เพราะฉะนั้นคําโกหกที่คือคําไม่จริงนั้นจะไม่มีในอาตมาอีกต่อไปจนนิรันดร น, นี่คือไม่มีอัตตาคําโกหกคืออัตตา และอาตมาก็ศึกษามันแล้วว่ามันอกขุลจิตแท้ๆไปทําทําไมอาตมาไม่ต้องทําคําโกหกอาตมาอยู่รอดไหมอาตมาไม่ต้องโกหกเลยอยู่รอดสบายๆด้วยโดยเฉพาะไม่ต้องฝืนด้วยนี่คือไม่มีอัตตา เพราะฉะนั้นคุณเองคุณเคยมีอัตตาเดี๋ยวนี้คุณก็ยังมีคุณอ่านอัตตาของคุณสิและคุณจะจบคําว่าไม่ใช่อัตตาเมื่อคุณไม่มีอัตตาแล้วหมดอัตตาแล้วคุณจึงจะพูดว่าอัตตาไม่ใช่อัตตาคนที่ยังล้างอัตตาไม่ได้สิ้นจริงเป็นอรหัตผลจนมีกัตตาญอย่างแท้จริงคุณพูดยังไงคุณก็ไม่จริงหรอก เพราะอยู่คนยังไม่จบสิ้นกัตยานฮะคุณบอกว่านี่จบแล้วตั้งแต่รู้ว่านี่อัตตาท่านสอนไว้ในสัพเพธรรมานตามันไม่มีคุณจะต้องมีอนัตตาตัวนี้ก่อนคุณอธิบายอนัตตาเป็นตัวต้นเท่านั้นเองอนัตตาไม่มีความเป็นตัวต้นอนัตตาเป็นตัวปลายเป็นตัวจบสุด เอาเอคุณจะสมมุติว่าอนัตตาเป็นตัวต้นอตมาเข้าใจคุณเมื่อคุณยอมรับว่าคุณมีอัตตาตัวต้นคุณทำกำจัดอนัตตาตัวต่อไปของคุณให้หมดเลคุณรับเองนะว่าคุณมีอัตาตัวต้นคุณพูดเองอตมาจาได้คุณพูดอยู่ว่าเมื่อรู้อนัตตาตัวต้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกคุณพูดเอง ผู้นี้คุณดีใจอาตมายังเก็บเอสเอ็มเอของคุณที่เขาพริ้นมาให้เนี่ไว้ยังไม่ได้ทําลายหมดหรอกท ว, ทวนไปทวนไปกจมก็ได้ว่าคุณพูดอันนี้ไว้เมื่อไหร่ผู้นี้คุณดีใจว่าอาตมาไม่ได้ดูดถูกคุณนะอาตมาไม่ได้รังเกียจคุณอาตมายังเก็บไปปริ้นใบที่เขาพริ้นมาให้แจ้าอาตมาก็เคยพูดกับคุณ เอามาอะไรหลายอันที่ไม่ได้พูดเลยยังเก็บอยู่อย่างเดียวปึง่งอาตมาใส่ควายไว้อันหนึ่งอาตมา ถ, ถือว่าคุณเป็นคนที่มีประโยชน์แก่อาตมาคนหนึ่งเหมือนกันเพราะเป็นอุปกรณ์ให้อาตมาได้ทำงานศาสนาหลายอย่างอาตมาไม่ตรงคน้นคุณคนมาให้อาตมาก็ ข, ขอบคุณนับัตนี้ด้วยเอาจริง อาตมาไม่เคยได้ยินหรอกคุณเามาโอ้มีเลยอาตมาต้องไปทวนดูว่มันมีหรือเปล่าในนั้นในคนอยู่ที่เนี่ยหลายอย่างก็คนไปเจอครับอ่าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเขาเอามาก็มันเหตุผลหรือว่าหลักการมันดีก็เอามาใช้อาตมาไม่ได้รังเกียจหรอกอ่าเราะฉนั้นนี่คือที่อาตมาขอตอบว่าอัตราของโพธิรักษ์มีอยู่จริงแค่ร้อยห้าสิบเอ็ดปีฟังความนี้อาตมาจะอธิบายต่อ ใช่ในร่างกายนี้ถ้าอาตมาอยู่ถึงร5อยห้าสิเอ็ดปีอาตมาจะมีอัตตาอยู่อาศัยร้อยห้าสิบเอ็ดปีฟังอาศัยให้ดีนะและ้วอาตมาก็จะใช้อัตตารอยห้าสิบเอ็ดปีนี้อาศัยไปอาตมาจะใช้สมมุตินี้อธิบายความเพราะนั้นคำว่าอาัตตาในร5อยห้าสิเ็ดปีของอาตมานี้จะมีช่วงต้นสาสิบหกปี ช่วงต้นนั้นเป็นอัตราที่อาตมายังไม่ได้ล้างไม่ได้ละไม่ได้ทําลายผ่านสาสหกปีมาแล้วอาตมามาเป็นโพธิรักแล้วอาตมาล้างอัตราสาสหกปีนั้นหมดแล้วสามสิบหกปีนั้นเป็นอัตาลิงลมอมก็พองฟังดีๆนะวันนี้อาตมาสาจจะญ า, าอาตมาจะเท่าความไปถึงพระพุทธเจ้าวัด ท่านก็มีลิงลมอมกระพองของท่านถึงสามสิบห้าปีอาตมาเนี่ยมีลิงลมอมกระพองสาสิบหกปีเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ได้ปฏิเสธว่าอาตมาไม่มีอัตตาแม้มีขันชาตินี้แม้มีขันชาตินี้อาตมาก็ย่อมรู้อยู่ ว่าอัตตาคืออะไรอย่างน้อยสาสิบหกปีอาตมาก็มีให้อาตมารู้ว่าคืออะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอาตมาก็รู้อาตมาแล้วพระพุทธเจ้าสามสิบ้าปีของท่านท่านก็มีเอลลงลมมังกรพ้องท่านพอเลยสามสิห้าปีไปแล้วท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาก็สามสิหกปีอาตมาก็มาเป็นพระโพธิสัตว์ของอาตมาแล้วจากสามสิบหกปีมาจนถึงวันนี้เจ็ดสิบเก้า 80ดกำลังยา่างเนี่ยอาตมาก็อาศัยอัตตาอันนี้ทำงานเป็นอัตมมยตาคุณรู้เปล่าว่าคุณพูดอยู่กับอมตะบุคคลอาตมาก็ททำงานไปจนกว่าอาตมาจะถึงร5อห้าสิบเอ็ดปีถ้า สมมตินะว่าถ้าอาตมาแมเก่งรักษาขันไปได้จนถึงร้อยหาบเอ็ไมถึงเมื่อไรก็เมื่อ น, นั้นแหละก็จบ <c oughs> แทะอาตมาก็อาศัยอัตตนี้ไปเป็นอัตตาอาศัยอาตมารู้ว่าเวทนาเรามีเวทนาเป็นเราหรือเราเป็นเวทนาหรือไม่เราเป็นสัญญาสัญญาเป็นเราหรือไม่สังขาร เป็นเราหรือเราเป็นสังขารหรือไม่วิญญาณวิญญาณเราเป็นวิญยาณหรือวิญญาณเป็นเราหรือไม่ถ้าวิญญาณมันจะเป็นเราเช่นสมมุติว่ามิญญาณของคุณแปดเจ็ดศูนห้าเป็นธาตุรู้ของคุณแปดเจ็ดศนแสดงออกมาสัมผัสอัตมาเนี่ย แม้จะส่งมาทังเอเเก็สัมผัสกันอยู่รู้กันได้แล้ววิญญาณของแปดเจ็ดศูนย์ห้านั้นจะกระแทกอัตมาจะมาพร้อมกับยิ่งกว่าน้ำทุเรียนทิ่มมัตามาทุกด้านอัตมาจะรับวิญญาณของคุณแปดเจ็ดูนห้านั้นเข้ามาเป็นเรา รับมารู้สึกว่าอของคนนี้คํามาเสียบเรานิดหนึ่งเสียบไม่เข้าเลยไม่กระเทือนและไม่รู้สึกไม่รู้สึกด้วยว่าเจ็บไม่รู้สึกว่าระคายผิวโอ้โหอวดตัวอวดตัวจังเลยโพธดทีรักวิญญาณอันแหลมหนามยิ่งกว่าทุเรียนมา ทิมอัตมาอย่างแรงแรงแล้วก็ทิมอย่างทุกมุมด้วยนะพยายามเลือกทุกมุมมาแทงอัตมาไม่ระคายผิวแห้มันเลยไม่เลยรับวิญญาณนั้นมาเป็นเรารับสังขารนั้นมาเป็นเราคุณปรุงแต่งมาอย่างแหลมคมเลยนะไม่รับเป็นเรา สัญญาที่คุณกำหนดมามุ่งหมายมาจะเสียบอัตมนั้นเสียบไม่เข้าจ้าเสียบไม่เข้านะจ้าตอบไปให้ทราบความจริงไม่ระคายผิวนะจ้อย่าว่าจะเข้าเลยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเวทนาใดๆเฉยอุเบกขาเวทนาเฉย ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาเสียบทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาเสียบวันนี้อธิบายละเอียดนะชัดเจนนะใครฟังดีดดจะได้ปัญญาทีเดียวนี่คือความไม่เป็นเราทั้งเวทนาสัญญาสังขารญาติทั้งไม่เราไปเป็นอัตมาไม่ไปเป็นอย่างที่คุณเป็นคุณยังเสียบอัตมาอยู่อัตมาไม่เคยไปเสียบคุณนะ เพราะอาตมาไม่เคยไปใช้สัญญากําหนดมาจะไปเสียบคุณแล้วอาตมาก็ไม่ไปสังขารเสียบคุณไปปรุงแต่งอะไรเสียบคุณมีแต่อธิบายธรรมะให้คุณเป็นอาหารอันเป็นกุศลคุณรับบริโภคมั้งไม่เล่าอาหารอันนี้เนี่ยอ๋อรู้แล้วละ่ะเมื่อกี้สุดแดนตำเก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจอาตมาให้คุณไม่ ไปบริโภคมันไม่เข้าเลยอาจจะเข้าหูแต่ไม่ถึงใจเข้ามันกันเข้าหูแต่ปิดประตูใจไม่ให้เข้ามันเลยไม่เข้าเปิดหน่อยนั้นนิดนึงนะ่ะอยากเข้านะอยากเข้าไปในใจคุณนะเอาไปไว้ในใจคุณหน่อยไม่ได้หรือโรแมนติกไหม ใช้นัทจากฮีตาวาทิ่ตาทิลอปินที่สนักแสดงที่โรแมนติกไหมเอาไปเข้าไว้ในใจเอาชั้นไปไว้ในใจแต่สักนิดหนึ่งไม่ได้เหร อ, อ น, นี่เป็นวรรณกรรมนะถ้าจะมาไปเขียนนวริยายในรับรองวรรณกรรมพวกนี้อย่างเงี้ยฮะเอาถามอะไรหน่อยอวาวางไง เขากลัวเสียอัตตามันคุมทั้งหน้าไปทั้งหัวใจเลยก็กลัวเสียอัตตาก็กลเสียหน้าเนี่ยพูดพูดถูกแล้วเป็นสิ่งที่ประเจดิดประเจนนินธรรนาแต่จริงๆมันทุกอย่างไม่แต่สุดยอดของหัวใจเขากลัวเสียหมดไม่ใช่แต่แค่หน้าพูดไปหน้าอาตมาไม่อยากพูดหรอกว่าหน้าเขาไม่ใช่แล้วมันหน้ามันด่าพอแล้วมันมากเขาไม่ใช่แล้วใครเป็นกาไม่อยากพูดหรอก จะไม่พูดเลยมันเกินก่อนนั้นแล้วหน้าก็ไม่ใช่แล้วมันด้านมากแข็งมากจนมันไม่ละคายอะไรแล้วแม่พูดไปก็อาตมาขาออภัยอีกทีหนึ่งมันหยาบไปหน่อยแต่สื่ออาตมาเจตนาใช้สื่อเพราะงั้นงูทั้งหลายได้กินไหมไม่ใช่งูกาคาทั้งหลายได้กินงูไหมอาตมากําลังตรีงูให้กากินอยู่น้ อาทีนี้มาลงลึกตรงที่โอราติอัตาคืออะไรอรู ป, ปะคืออัตตาคืออะไรและโดยเฉพาะมโนมยัตตาคืออะไรชีวิตของผู้ที่เป็นอมตะบุคคลแล้วก็จะอยู่กับมโนมยัตตาคืออัตตาที่สำเร็จด้วยจิตหรือรูปที่สำเร็จด้วยจิตหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่อัตตะนั่นแหละสิ่งที่สมมติขึ้นเกิดขึ้นสาเร็จด้วยจิตเราเอง เราสมมติอันนี้สมมุติที่คุณสมมุติมาแล้วตามพระพุทธเจ้าสมมุติมาแล้วก็สมมติตามแม้อัตมาจะสมมติใหม่อัตมาก็จะสมมติสิ่งที่เป็นกุศลทั้งสิ้นขึ้นมาใช้ประโยชน์จะไม่สมมติสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลโดยอัตมาต้องมีความรู้ว่าสิ่งที่จะปรุงแต่งขึ้นมานี้เป็นอ ก, กุศลหรือไม่ใช้อ ก, กุศล เป็นกุศลหรืออกุศลให้ชัดอะไรก็ต้องตทำไม่มีเจตนาร้ายเลยแม้แต่อาตมาได้ใช้ภาษาสำนวนที่มันมันแหลมมันคมไปมั น, มนไม่พลังหรอกรู้อยู่ว่าใช้ภาษานี้ใส่คุณแปดเจ็ดสุน่าไปอ่ะบางคำาับมันก็ถือว่าแรงก็แรงถือว่าหยาบก็ได้ ได้ใช้ไปแล้วก็ขออภัยแล้วนะคำว่าโอราธิกระอัตตาคือสิ่งที่หยาบเราต้องเรียนรู้ก่อนและหยาบนี่มันจะต้องเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายจึงเรียกว่ารูปปักกายองค์ประชุมข้างนอกประกอบด้วยมหาโพธรูเพราะนั้นคนต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัว สัมผัสแล้วศึกษาจากความเกิดจากสัมผัสนั้นเกิดจากสัมผัสนั้นมันจะเกิดเป็นวิญญาตเกิดเป็นธาตุรู้องค์รวมวิญญาณคือธาตุรู้องค์รวมที่มีหมวดเจตสิกสาคือเวทนาสัญญาสังขารถ้าจะแจกเจตสิกจากเวทนาสัญญาสังขารก็แจกไปอีกได้หมดในพระพิธรรมที่ไทยเราเรียนกันอยู่นี้แจกไปถึงจิตเจตสิก 120ร้อยยี่สิบยอยี่สิบเอ็ดวงหรืออะไรนี่ร้อยยี่ิบสองอตมาเขายังไม่ได้ทวนนะเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงจิตเจตสิกตอนนี้เพิ่งพูดถึงรูปมหาพุทธรูปอุปาทายรูปเท่านั้นอัตมาก็ค่อยไล่ไปจากรูปไปหานามนามเขจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไล่ไปจนมาตั้งถึงเจตสิกสุดท้ายแต่ก็จะต้องประกอบกันด้วยแม้แต่เจตสิกสุดท้ายถึงขั้น สุญญาตารูกรูปที่ว่ารูปที่ศูนขนาดนั้นตอนโพธิศึกษาตั้งแต่เกิดความหยาบนี่ให้รู้ก่อนในหยาบก็มีรายละเอียดจนสุดเหมือนกันในหยาบก็มีรายละเอียดจนสุดเหมือนกันเพราะถ้าสามารถรู้หยาบก่อนได้คนก็จะค่อยๆรู้รายละเอียด แล้วมันก็จะมีความรู้เนี่ยละเอียดละเอียดละเอียดไปหาละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดหาละเอียดละเอียดจากของหยาบไปหาละเอียดจากของกลางแล้วก็ไปหาละเอียดของละเอียดฟังภาษานี้เข้าใจไหมหยาบกลางละเอียดของหยาบมาถึงแล้วมันก็หยาบกลางละเอียดของกลางหยาบกลางละเอียดของละเอียดอาตมาเขาว่าอาตมาใช้ภาษาหมดแล้วนะ จนสุดท้ายมันก็หมดละเอียดของละเอียดหมดจบละเอียดของละเอียดสิ้นนิพุนานิพุนาภาษาบาลีนิแ ป, ปลว่าละเอียดเพระเาะฉะนั้นละเอียดที่สุดก็คือนิพพานแล้วนิพุนาเมื่อผู้ใดสามารถรู้จักทั้งโอราลิกัตตาต้องรู้ก่อนแน่นอน พระอนาคามีศึกษาโอราติกอัตตาในกามาภพดัดกามาภพบจบกิจในกามาภพหมายความว่าตาหูจมูกทิ้นกายกระทบอะไรอะไรอะไ ร, ะไรขึ้นมาพระอนาคามีย่อมไม่ปรุงแต่งร่วมกับอ น, นันต์แล้วไม่สังขารร่วมกับอ น, นันต์แล้ว เหลือเศษข้างในเป็นกายในกายของตนเองเป็นเวทนาสัญญาสังขารของตนเองก็เรียนรู้ของตนเองต่อไปเป็นหลักประกันเลยว่าคนที่มีจริงเป็นอนาคามีมบุคคลจริงไม่มีโทษไม่มีไปไม่มีพิษไม่แสดงอกุศลกนี้ข้างนอกออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วนะจน ขอเร็วลัดว่าจนสุดท้ายเป็นอรหันตก็จะลบอีกทั้งรูปะอัตตาเหลือว่ารูปะอัตตาก็จะล้างลบอีกทั้งอรูปะอัตตาสิ้นหมดเลยในภาวะตัณหาที่มีสภาพของรูปภพกับวารูปภพเพราะคาว่ารูปภพ ที่จิตของเรายัางเอาวจอ้จารยังมีการเป็นไปอยู่กับรูปประพบมันเป็นของหนกายในกายเป็นเวทนาสัญญาสังขารของตนเป็นวิญญาณของตนตนก็ล่างของตนไปสมมติว่าหมดรูปประพบหรืออรูปประพบมันก็ของตนที่เหลือล่างของตนหมดจบเป็นอารานจบอรหานคือถาวร์แล้ยังยืนแล้ว ไ ม, ไม่ไม่เกิดอีกไม่มีอะไรชาติชาติอีกแล้วไม่เกิดเพราะความไม่เกิดคืออะไรความไม่เกิดคือไม่เกิดของอรูปปจิตจิตขั้นอรูปสุดยอดเลยไม่เกิดอีกแล้วจึงชื่อว่าอารหรันต์เนี่ยปลายสุดไม่เกิดอีกจริงๆถ้าจะเกิดอยู่กูก็เป็นอรหันต์ที่ยังอรหันต์ตกหล่นอยู่นะ เกิดนิดหนึ่งก็ของคนนะฮะอาหารอะไรไม่ใช่มันเป็นออวิมุตจอมันเป็นเออร์เรอของออบิมุตมันเป็นสิ่งที่ยังยังไม่สุดท้นมันหลงหลุดมาอย่างไงกันแล้วแต่ เอโดยคุณยังเก็บไม่หมดจริงๆเท่านั้นเองนเพราะงั้นผู้ที่รู้แลถึงอารูปก็หมดอัตตาเกลี้ยงผ่านอารูโอลาริกอัตตานะต้องเป็นขั้นตอนเบืองต้นตกลางบันปลายเพราะผู้ใดที่ปฏิบัติผิดไม่ลาดลุมด่มใยเบืองต้นกลางบรรปลายเหมือนฝั่งทะเลไปหลงผิดที่จะไปเอาอัตตาในหางช้างโดยไม่เอา ไอ้ช้างตัวช้างออกก่อนคุณงมไปเถอะคุณจะไม่ละเอียดคือไม่รู้หยาบนะเองไม่ละเอียดพอที่คุณจะรู้หยาบคุณรู้ไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่ได้ศึกษาดีไม่ดีตีทิ้งเลยเลยไม่เล่นไม่ศึกษาเลยอย่างที่คุณไปเจ็ดสูน้าในหน้ า, นนางสงศารถ้ามีทิฏฐิแบบนี้นะสมมุตินะสมมุติว่าคุณเป็นอนณาคามีบุคคลมาแต่ชาติก่อน คุณก็มารู้ช่างตัวเท่าที่คุณมีเรือเท่านั้นแหละเพราะบาลมีคุณจริงคุณเหลือเท่านี้คุณก็มาล้างเท่านี้เอาขอผ่านตรงนี้ขอวักอัตตาที่จะอธิบายมโนมัยอัตตาตัวสําคัญไว้ก่อนเกิดตรรกอธิบายที่อารูปอัตตากับมโนมยอัตตาอารูปอัตตาก็ขอย้อนกลับมาว่า ผู้ที่เป็นอมตะบุคคลแล้วอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระโพธิสัตว์เมื่อมาเกิดอีกทีหนึ่งก็จะถูกโลกโลกีหุ้มพ่อเป็นธรรมชาติและก็จะเป็นไปตามโลกนี้เพราะตัวเองยังยังไม่ตื่นตัวเองยังไม่เป็นตัวของตัวเองออกมา ถึงมันมีละเอียดถึงอจินไตต่างๆถึงกรรมถึงบิดาถึงนัยยะอีกหลายอย่างอาตมาบางอย่างก็ยังพูดไม่เป็นยังพูดไม่ออกไม่มีบัญญัติด้วยไม่มีภาษาที่จะพูดไม่มีรูติจะพูดแไปรู้แต่สภาวะเฉยๆหลายอย่างพูดไม่ได้เลยไม่รู้จะออกมาพูดยังไงเพราะไม่มีภาษาจะสื่อคํามันไม่มีบัญญัติมันไม่มี แสดงอาการก็ไม่รู้เรื่องอาตมาไม่รู้จักภาษาใบ้ด้วยเรืองด้วยนะเพราะงั้นเลยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นเป็นสักอย่างผู้ที่เป็นสยังอรพิญญาหรือสยมผู้ย่างพูุ้ตเจ้าสามสิบห้าปีของท่านของบริจาท่านก็อยู่กับส ม, มุิแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เป็นตัวของตัวเอง ท่านยังไม่ได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองเต็มรูปท่านรู้ในตัวเองเป็นของตัวเองเต็มรูปในวันสิบห้า่ำเดือนหกเมื่อรึกชาติตัวสอบทุกอย่างตัวเองก็ตื่นเต็มรู้สึกตัวรู้ตัวว่าทุกอย่างและความรู้ทุกอย่างก็ขึ้นมาเป็นพุทธกาลกธรรมเป็นธรรมะที่เต็มรูปแล้วที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพร้อมอยู่ในท่านหมดแล้วท่านจะไม่มีลังเลสงสยัยไม่มีอะไรเลย พอท่านได้แล้วเสร็จท่านก็มาทบทวนของท่าน49วันอยู่กับตัวเอง49วันทบทวนดูสเสวยมุดอยู่ตงนั้นต ท, ทวมันมีอะไรบ้างที่ท่านสะสมมาจนเป็นพระพุทธเจ้ามีพุทธการรักธรรมอะไรบ้างท่านก็ทบทวนจากสัญญาขึ้นมาคุยกับเทวดาของท่านอยู่ตลอด49วันนี เสรแล้วจากนั้นท่านก็ไม่มีอัตตาสมมุติที่อัตตาสาสิบห้าปีนั้นอีกเลยจากนั้นไปวันสิบห้าคาเดือนหนั้นจนปฐมิพานแปดสบจากวันนั้นไปท่านก็ไม่มีอัตตาอีกเลยแต่ก่อนนั้นสาสิบห้าปีท่านก็ไม่รู้ว่าเออนี่มันใช่อัตตาหรือไม่ใช่อัตตา อัตตาของพระพุทธเจ้ามันเป็นยังไงวะอรหัตตาของพระเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันเป็นยังไงอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออัตตาถึงที่สุดสูงสุดที่ไม่ลึกลับแล้วที่เป็นของพระพุทธเจ้าน่ะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะมันเป็นยังไงมันก็ยังไม่ได้ดึงขึ้นมาก็ยังไม่ได้เหมือนอาตมาทุกวันนี้ดึงสัญญาเก่าดึงเซฟดึงสมบัติเก่าออกมานี่ยังไม่ได้หมด แต่พระเจ้าท่านเก่งท่านดึงพรูดเดียวคืนเดียวท่านดึงได้หมดเลยอาตมาก็ดึงมาหลายปีแล้วเนี่ยสี่สิบปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วยังดึงออกมาไม่หมดเลยเชื่อไหมว่าอาตมายังมีเพชรจะเอาดึงออกมาให้พวกคุณได้อีกเชื่อไหมเพราะแต่ละวันอาตมามีเแสดงเสนอคุณอยู่ตลอดเลยเนี่ยวันนี้ก็เสนอออกไปหลายเม็ดเลยเนี่ยโโหโอ้โหเพชรที่ออกมาแสดงวันนี้ยังไม่มีในร้านไหนในในโลกเลยนะคุณไปหาซื้อร้านไหนไม่ได้นะ จริงวันนี้นี่ไม่ได้พูดเล่นหรอกหลายเม็ดเลยในะองค์มโชจะมากไปแล้วนะนี่โพธิรักสงวนไม่มั่งมากไป <c oughs> นะฟังเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจว่าอัตตาโดยลำลองยิ่งผู้ที่รู้ตัวครบแล้วอยู่กับอัตตาโดยอัตตานี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้น เวทนามีสักแต่ว่ามีสัญญามีสักแต่ว่าสัญญาสังขารมีสักแต่ว่าสังขารวิญญาณมีสักแต่ว่าวิญญาณรูปมีสักแต่ว่ารูปนี่นาำไฟลมอันสังเคราะห์สังขารกันอยู่แท่งนี้อาศัยทําไมอาศัยเพื่อมาล่าลาบล่ายศล่าสันเริญเพื่อมาเสพกามเพื่อมาเติมอัตตาขึ้นไปอีกหรือไม่แล้วไม่จริงๆ ทำได้แล้วแล้วข อ, อยือยนยันว่ามันเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ให้ใครเชื่อหรอกเรามีสิทธิ์บอกความจริงพูดความจริงเท่านั้น<อ>ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร<อ>นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอมตะบุคคลมูลสูตรนี่อาตมาก็เอามาเป็นหลักให้ฟังคนจะสนใจศาสนาพุทธต้องมีฉันทะ ไม่มีฉันท่าคุณยังมาปฏิบัติเลยฉันท่าเป็นแสงอรุณถ้าคุณไม่มีฉันฉัทาสัมปทาอย่าเลยต่อให้คุณเองนะมีมิตรดีสหายดีเป็นข้อที่หนึ่งของแสงอรุณเจ็ดทุบทบทวนก่อนก็ได้คุณมีมิตรดีสหายดีเช่นอาตมาเป็นต้นจัดเจียดแล้วจัดเจียดอีก็ตาม ถ้าคุณเองคุณไม่เริ่มต้นปฏิบัติโดยเอาตนเองกําหนดศีลในใตัวเองกําหนดข้อปฏิบัติของตัวเองสําหรับคนตรีสกอรเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องสามเรื่องก็ตามที่คุณสามารถทําได้เกินเราเราไม่เอาเราเอาเรื่องเดียวก็เอาเรื่องนี้แหละสําคัญของเราทําก่อนได้วกว่ากําหนดศีลกำหนดหนดลักกําหนดเกณฑ์กําหนดกรรมฐานกําหนดสัจจะที่เราจะจริงจังจะทํากับมันถ้าคุณไม่เข้าถึงศีลที่หลักเกณฑ์ตามลําดับ เพราะศาสนาพุทธต้องมีศีลเป็นหลักกำหนดของตนเองเท่าติดตนเองพอดีใครไม่รู้จักเกณฑ์ของตนเองเลอะไม่มีทางสําเร็จง่ายหรอกยากหรือไม่สําเร็จเลยแต่ถ้ากําหนดถูกต้องได้สัสดส่วนที่ดีมุ่ไปเร็วเพราะศีลสัมปทาเป็นข้อที่สองต้องเข้าถึงศีลฉันทะสัมปทาเป็นข้อที่สาม ต้องมีความยินดีคุณตั้งศีลแล้วคุณไม่ยินดีในการปฏิบัติไม่ที่มีทางหรอกมีมิต ด, ดียัดเยียดแล้วยัดเยียดอีกศีลคุณก็ตั้งแล้วแต่คุณไม่มีชันทะไม่มีทางไม่มีสถานี w นเวสเตชัน no ไม่มีทางไม่มีสถานี อัตมาก็แสดงง้ออัตมาไปตามเรื่องอัตมาและคุณไม่เข้าถึงอัตตาเป็นสุริยปยานที่สี่ข้อที่สไม่เข้าถึงความเป็นอัตตาก่อนคุณเดินมรรคไม่ได้ไม่มีแสงอรุณคุณไม่มีทางปฏิบัติมรรค นี่มา ก, ก่อนนะคุณจะต้องศึกษาต้องเข้าใจแล้วเรามีสิ่งเหล่านี้ไหมฟังให้ดีวันนี้ใครมาอยู่ในนี้ต้องถือศีลโดยบังคับอย่างต่ำศีลห้าแต่คุณก็ไม่มีฉันทะอยู่ไปวันวันฝันถึงดวงดาวเพลงของพระเจ้าโศก ร, ร้องจะปวด ร, วดรวัวเร่าปีนป่ายไม่ถึงอยู่ตรงนี้ อู่ไปวันวันฟันทึน่งดวงดาวจะปวดราวปีนป่ายไม่ถึงไม่ปีนด้วยไม่มีชั้นทะด้วยมันจะไปได้ดาวได้ดาวอะไรทีนเะอฝันให้ตายก็ไม่ได้เพราะงั้นเมื่อคุณเองคุณไม่เข้าถึงสัมปทาคุณไม่มาหามมกลุมมิตรีเหยาเหล่านี้ช้า วันนี้เข้าพรรษาปีห้าหกแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมกระเจดกระจดกระจรกระจายไปอยู่ที่ไหนไม่มาสักทีมิตรดีสหายดีสังคมเสียเราต้งดีหนึ่งสองสี่สัมปตาสามฉันทะสัพปะา4ีอัตตะสัพปะทาห้าทิฏฐิสัมปตาความเห็นความรู้ของคุณ น, นี่แหละคุณแป0เจ็ดศูนย์ห้าเ อ, อ้ย มีทิฏฐปาทานหัวชนฟ้า ห, ห, ห, หัวบี้หัวแบนหัวแตกหัวบุบหัวปู้เท่าไหรแล้วก็ยังชนฟ้าอยู่นั่นเองดึงดันในทิฏฐิของตนของตนของกูงกูกูกูไม่ยอมไม่ยอมไม่ขยับไม่ขยื่อนไม่เปลี่ยนไม่แปลงจะดึงดันดื้อดานไปถึงนะไห น, นทิฏฐปาทานยึดทิฏฐิของข้าของกู ไม่ยอมรับทิฏฐิของอันอื่นเลยไม่มีประโตโคสะเลยแม้แต่น้อยยากเพราะฉะนั้นแม้ผู้มามีศีลแล้วมีฉันทะแล้วรู้จักอัตตาแล้วแต่ยังยึดทิฏฐิอย่างเดิมอยู่อย่างเดิมเลวอีกเหมือนกันทิฏฐิคุณเจริญได้เป็นสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิจะสูงขึ้นเสมอเสมอตามการปฏิบัติในองค์ธรรมหก ปัญญาปั ญ, ญินทรีปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชงสัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้นตามองคหกนี้ขึ้นไล่ไปเป็นปัญญาเสมอโดยปฏิบัติมักขังฆะนี่คือองคหกของสัมมาทิฏฐิที่เปิสาสวามันจะเกิดมณสิการมันจะเกิดองค์ประชุมของธรรมที่จะเจริญเป็นบนวงวน ปฏิบัติมากไปท ร, รมาวิจัยไปเกิดสมาธิสูงขึ้นสั่งสมไปเป็นปัญญาปัญญีสีปัญญาผลไปขึ้นตามเรื่อยๆไลขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับเลยเป็น kinetic energy เจริญอ ย, ยู่เรื่อยเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสำปฎาต่อไปยิ่งคุณประมาทเป็นความล่มเหลว ทุกอย่างเลยประมาทลึกซึ้งมากพระพุทธเจ้าทังเทียบ ว, ว่าประมาทนี่เหมือนกับเท้าช้างที่เอาเท้าสัตว์ใดๆในบรร ด, ดาในป่ามันลงไปในนี้ได้หมดสมมุติเป็นรูปธรรมเราไ้ววาเท้าช้างที่จะมัต้องใหญ่มากนะบอเอาช้างสัมใดต่างมาลงเนี่ยประมาทนี่ไม่ได้ถึงยังไงก็จะต้องอย่าประมาทต้องตรวจสอบความเพอ้อพราประมาทไม่ได้ต้องเผื่อพ่อไว้เสมอ สุดท้ายสัมปทาสุดท้ายไม่มีสัมปทาคือโยนิโสมนัสิการแต่เป็นแสงอรุณที่คุณจะต้องทําใจในใจเป็นถ้าคุณทําใจในใจไม่เป็นก่อนอื่นเลยคุณก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรเลยมนสิการไม่เป็นทําใจในใจไม่เป็นโดยเฉพาะคุณไม่รู้จักเวทนาในเวทนาก็ดีนี่คือใจในใจคุณต้องปรับเทหัสิตตะมาเป็นเนคขมะ หรือคุณละเอียดลงไปถึงขั้นสังกัปปะเจตคุณไม่รู้ว่จิตคุณดำริเลื่เริ่มมันเริ่มอารัปธาตอารัปธาต์อะไรขึ้นมาคุณก็จับตัวสภาวะของนามธรรมตัวนั้นไม่ทันไม่ได้มันปรุงเป็นกามขึ้นมาปรุงแล้วเป็น <c oughs> อาการกามในหยาบนะห <c oughs> ยาบกว่ารูปใช่หมหกกามรูปอรูปเนี่ย สิ่งที่ถูกรู้รองลงมาจากกามก็รูปกามก็เกี่ยวข้องอยาดตั้งแต่บดินานา้ำไฟลมหมดดินน้ำไฟลมมันก็เป็นรูปขนาดนั้นก็ยังคุณก็ยังต้องเรียนรูปปร้เป็นลำดับลาดับคุณก็ทำไม่ได้ฮะ อ, อะไรถูกแล้วเดี๋ยวอ้อมพรามูรสูดเอาได้เดี๋ยวคันมูรสูดนะ เอาตรงนี้จบก่อนเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะรู้แม้กาแม้รูปแ ม, แม้อรูปเป็นลำดับที่ถูกต้องลาดลุ่มเมืองฝักตะเลคุณผิดละคุณทำใจในใจไม่เป็นคุณไปทำใจในใจแต่เฉพาะอยู่ข้างในหางช้างคุณไม่เรียนรู้ความอยากตั้แต่ตัวช้างก่อนเอาออกจากโพยกาคุณผิดตั้งแต่ต้นละอัตมายืนยันตามพระพุทธเจ้าสอน คุณจะอวดเก่งยังไงก็อวดไปเถอะอาตมาเขาพูดตามพระพุทธเจ้าถ้าคุณจะสามารถบรรลุได้ก็เอาสิอาตมาก็ไม่รู้ถูกหรกแรลนคนละคุณอาจจะเก่งพิเศษนอกรีของพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่ากันไอ้นอกรีนี่แหละเขาเรียกเดรธีรู้เปล่าอาตมาก็ไม่รู้ใครเป็นใครกัไม่รู้เขาว่าอาตมาเป็นเดรธีอาตมาก็ไม่เป็นไรอาตมาฟังไปยันชนะแต่อาตมาไปดูสภาวะว่าสภาวะเขาอาตมาเป็นเดรธีหรือไม่ ก็ไม่เป็นไรอัตมาก็ดูที่ของจริงตามความเป็นจริงตามปัญญาของัตมาที่มีอัตมามีถ้าอัตมาปัญญาผิดอัตมาก็ผิดเองถ้าอัตมาปัญญาอัตมาถูกก็ถูกเองไม่มีปัญหาอะไรเพราะงั้นเมื่อสามารถที่จะอ่านความเป็นอัตตาของตนเองได้ทั้งอรูปอัตตาดับอรูปอัตตาได้แล้วเป็นมโนมัญอัตตา รูปที่สำเร็จด้วยจิตหรืออัตตาที่จัดการหมดแล้วได้สำเร็จด้วยจิตมโนมยะแปลว่าสำเร็จด้วยจิตรู้จักอัตตาจนครบอรังไม่ลึกลับเลยแล้วทำได้ด้วยสำเร็จเป็นอรหั ต, ตผลเป็นอัตตปฏิลาภจนสมบูรณ เวลาขอเราแล้วเนาะที่เราได้อัตภาพที่จเจริญขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นหมดอรูปมาส่งรูปที่ไม่ลึกลับอัตตาที่ไม่ลึกลับอาศัยรูปที่ไม่ลึกลับนี้อาศัยอัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วนี้อยู่เป็นสัตว์โลกทํางานเพื่อสัตว์โลกโดยไม่มีตนเองไม่มีอัตตา ไม่มีตัวเราของเราแล้วจึงเป็นอมตะ บ, บุคคลเป็นอะตามายตาผู้สําเร็จอัตาโดยไม่เหมือนกับอะเทวะนิยมเลยล่ะผู้สําเร็จเทวะโดยไม่ได้ติดเทวะแต่เป็นเทวะยอดแห่งเทวะเรียกว่าอะเทวะนิยมอะตามายตาก็เหมือนกัน เป็นผู้ที่มีอัตตาแต่ไม่ไมีติดอัตตารู้จักอัตตาอาศัยอัตตาทำประโยชน์แก่ผู้อื่นตนเองไม่มีตนอื่นมีชีวิตอยู่เป็นปรปติพัทธามเมเยชีวิกาเป็นชีวิตที่ให้คนอื่นเขาดูไว้เลี้ยงไว้รักษาไว้ไม่รักษากระโยนทิ้งได้ชีวิตอาตมานี่ใครไม่เอาและไม่รักษาโยนทิ้งได้ มีชีวิตให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นผู้อื่นก็อุปถัมภ์กัมโชดูแลและเราก็ทํางานเท่าที่เราถ น, นัดเท่าที่เราเห็นควรเป็นกรร ม, มยตตาทข้าไปเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรอนาอยู่หังอปอปจิตทั้งอนาอยู่หังด้วยนี่แหละอิทธิบาทอิทธิบาทก็คืออนาอยู่หังอปปจิตทั้งไม่พักไม่เพียรเนี่ยอิทธิบาท เพราะ ง, งั้นผู้ที่เป็นอ ม, มะตะบุคคลก็คือผู้ที่เริ่มต้นด้วยฉันระเป็นมูลแล้วมณะสิ ก, การทำใจในใจตนเองเป็นออจมาสำคัญกี่กี่โมงจบเนี่ยสิบโมงครึ่งหรือเปล่าแล้วอีกสามนาทีนเนี่ยฮะฮะอะไรนะสิบโมงสิบห้าเหรอ ตายตายตายเบรกแตกชนละเนระน้าเลยนี่เบรกแตกไปแล้วนี่ชนใครมั่งเอ่ยสงสัยไปชนสองแปดเจ็ดศูนย์ห้าเขาหายแล้วเนี่ยตายตายตตตเบรกแตกข้อภัยนะอัตมารักคุณเป็นมิตรดีสหายดีเยาไปเยามาไม่ได้โกลบไม่ไเกียดคุณไม่ได้ชังคุณเลยถือถืถูกคุณเป็นมิตรจริง คุณเป็นมิตรดีสหายดีทำประโยชน์ให้อัตมาได้แสดงธรรมอัตมาได้แสดงธรรมลึกและมากขนาดนี้เพราะคุณเป็นเหตุขอบคุณคุณเป็นเหตุจริงๆเพราะนิทานเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นเพราะคุณเป็นเหตุอัตมาเป็นปัจจัยเหตุและปัจจัยร่วมกันเลยสังขารขึ้นมาออกมาเป็นอย่างนี้เป็นนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาไปบันทึกไวน้นานิทานเรื่องนี้ เ, เอาประโยชน์จากนิทานเรื่องนี้ให้ได้ท่านเมื่อเราสามารถที่หนึ่งมีฉันทะเป็นมนูลสองมีมณสิกการเป็นแดนเกิดสามมีผัสสะเป็นเหตุเกิดเป็นสมุทัยเลยเพราะการปฏิบัติธรรมต้องมีสมุทยัยต้องมีเหตุนี้ปฏิบัติถ้าไม่มีผัสสะเป็นเหตุในการที่จะเกิดชาติและคุณก็เรียนรู้ชาติสัญชาติโอกรันตินิพัติอภินิพัติได้ ตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในปฏิสมุบบาทเนี่ยถ้าคนไม่รู้จะความเกิดในห้าอย่างนี้ต่างกันอย่างไรซึ่งอาตมาขอผ่านวันนี้ไม่มีเวลาแล้วไปวันหลังก็อธิบายชาติห้าอย่างนี้ลึกซึ้งดับชาติห้าอย่างนี้จบเป็นอภินิพัติก็เป็นนิพพานแล้วเพราะนิพพานนี่คือทางนิพพานไปถึงสุดยอดของนิพพานนิพพัตนิพันธ ร้านเมื่อคุณสามารถมีผัสสะเป็นสมุดไทยเป็นเหตุให้ปฏิบัติได้ปฏิบัติต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยขอย้ำอีกเมื่อผัสสะแล้วก็เกิดเวทนามันก็สโมสารน า, าประชุมลงตรงที่เวทนาเป็นองรวมของสังขารหรือเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกเป็นเวทนาองรวมเป็นสุของรวมเป็นทุกขุณหลงสังขารคุณก็อยู่กับพบสุขพบทุกข์างสังขารนั้นไป แต่คุณสามารถรู้เวทนาในสังขารว่าบทโถเอ้ยเป็นอารมณ์นี้มันมีเหตุศึกษาจนเห็นว่าไปหลงติดเหตุที่คุณไปยึดไปถือว่ามันต้องได้ต้องมีต้องเป็นคืออุปทานอยู่คุณก็กำจัดตัวนี้โดยวิธีประหารห้าคุณก็ทําที่เวทนานี่แหละเวทนามโนปวิจารสิบแปดมโนปวิจารสามสิบหก ออกมาเนกข ม, มะออกมาจนมาสู่ฐานนิพพานคืออุเนกข ม, มะสิตาอุเบกขาไม่แจกนะว่าเคหะสิตอุเบกขากับเนกข ม, มะสิตอุเบกขาเนี่ยอันได้มันต่างกันอย่างไรวันนี้มันเวลาหมดคุณสามารถเรียนรู้เวทนาในเวทนาประชุมลงจนจัดการสั่งสมเนกข ม, มะสิตาอุเบกขาฐานนิพพา น, น เป็นสภาวะของนิพพานเนี่ยสั่งสมลงเรืเ่อยๆก็ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เป็นสมาธิเป็นปะมุกจิตเป็นตัวฐานที่ตั้งสมาธิคือสถานที่ตั้งปมุกขะเป็นปะมุกขะเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นตัวเจ้าจริงๆปะมุกขะเจ้าแห่งจิตของเรา สมาธิสั่งสมสมาธิโดยมีบริวารคือสติและปัญญาจเจริญก็เรื่อยๆเยสติก็จเจริญปัญญาก็จเจริญสติก็จเจริญปัญญาเป็นใหญ่โอ๊ยอธิสติเป็นใหญ่ปัญญาเป็นยิ่งท่างแปลไทยว่าจากธรามะอธิปไตยกับอุตระอธิบายังไม่แจกกสองในนี่อธิปไตยกั บ, บกอุตระอะไรมันคืออะไรบ้างผ่านไปก่อนจึงเป็นผู้ที่มีมิมุติ เป็นสาระแก่นสารแท้แก่นแท้ของศาสนานิมูลสูตรไล่ลงไปให้ฟังบุคคลผู้ผ่านนิมุติแล้วก็คืออมาตะบุคคลโอคตาหรือโอคันติแปลว่าการความหยั่งลงโอคันติคือจิตตัวเจตสิกหยั่งลงโอคตาหยั่งลงเป็นบุคคลเอโอคตโอคันติหยั่งลงเป็นจิต สั่งสมอย่างลงอย่างลงอย่างลงเป็นจิตอกุเป็นจิตกุศลและจิตเป็นจิตที่เป็นนิพพานหรือนิพพติสั่งสมนิพพตินิพพตินิพพตินิพพติจนเกิดอภินิพพติจะเกิดนิพพานก็เลยกลายเป็นอมตะบุคคลก็เลยอย่างลงสู่ความเป็นบุคคลอรหรัน บุคคลอมตะบุคคลส่วนคุณจะปริโยสารคุณจะไปถึงที่สุดของคุณเป็นนิพพานเป็นปรินิพพานนิพพานสุดรอบตัวใครตัวมันถ้าปรินิพพานแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดทั้งคำพูดหมดทั้งส ม, มุติหมดทั้งปรมามัดหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออีกเลยเหมือนพวกมะม่วง ที่ถูกตัดจากโควรตกมาแตกกระจายแล้วไม่มีอะไรจะมารวมติดกันอีกได้แล้วใครจะเอาพวมโมงที่แตกขั้งแ้วมาต่อกันติดใช้กาวกาช้างใช้อะไรนะกาวยางอะไรสมัยใหม่ที่เขาอะอีพ็อกซี่อะไรไม่ใช่อะไรอีกอะไรพวกนี้ติดไม่ได้แล้ว เาละเวลาเลยไปหลายนาทีแล้วโอ้โหเแบรบกไม่ดีมีแต่คันเล่งอย่างเดียวและไบให้เป็นอายุสิบแปดแต่ยังงไามีแต่พลังกับพลังแอนด์บพลังนะเอาละวันนี้ก็โอ้โหวันนี้มาแสดงทรรมที่ศีรษะอโศกเนี่ยมันที่ที่อยู่ของสมองแท้ๆเลยนะศีรษะเนี่ยมันฮะ วันที่สิบ อ, อายุเจ็ดสิบเก้าปีหนึ่งเดือนสิบแปดวันที่ศิสาอโศกเอวังจบยังไม่เป่าปีจบยังไม่เป่าขลุย ไม่มีปีไม่มีคุย